ยังไงมีอะไรทิ้งต้องมาติดต่อกันต้องไาเหมือน ย, ยังไม่เคลียร์เลยเคาียยังไม่เคลียร์ไม่เคลียร์ตรงไหนนต้องปฏิบัติเป็นทิงจะเคลียร์ฟังยังไงมันก็ยังไม่เคลีย ร, ร์ต้องปฏิบัติแล้วต้องปฏิบัติแบบ ทำให้มันเกิดผลขั้นต้นก็ต้องทำให้มันสงบให้จิตรวมเป็นสมาธิให้ได้ขั้นที่สองก็ต้องให้มันเกิดทุกข์ให้เห็นทุกข์แล้วก็หาปัญญามาดับความทุกข์ ปัญหาของพวกเราก็อยู่ที่ความทุกข์ใจนี่มีกันทุกคนทุกระดับทุกเพศทุกวัยไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่าเด็กมว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าคนรวยคนจนคนสูงคนตำ่ำมีความทุกข์ใจเหมือนกันหมดความทุกข์ทางร่างกายอาจจะไม่ไมเหมือนกัน ความทุกข์ทางร่างกายนี้ทุกทุกคนสามารถที่จะบำบัดกันได้บางคนก็บำบัดได้มากบางคนก็บำบัดได้น้อยบาคนยากจนคนขอทานนี่อความทุกข์ทางร่างกายก็มากหน่อยอคนรวยความทุกข์ทางร่างกายก็น้อยหน่อยอพร มีสิ่งที่จะช่วยบำบัดความทุกข์ร่างกายคือปัจจัยสี่มีอาหารการกินสมบูรณ์มีเสื้อผ้าเครื่องนุง่มหมพร้อมบริบูรณ์มีที่อยู่อาศัย <c oughs> ที่ยิ่งใหญ่ที่สวยงามที่หรูหรามียารักษาโรคมีหมอมีพยาบาล ทางร่างกายนี้ความทุกข์ของเราต่างกันคนรวยคนจนนี่ต่างกันที่ความทุกข์ทางร่างกายคนรวยนีความทุกข์ทางร่างกายน้อยคนจนก็ทุกข์หน่อยคนจนทุกข์ั้งหากินทุกข์ต้องทำงานงานก็ต้องแบกหามชาวนาชาวไร่ต้องใช้แรงงานต้องใช้ร่างกาย แต่คนที่รวยคนที่มีความรู้เขาก็ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้แรงงานแบกหามใช้ความคิดใช้ความรู้นี่คือสิ่งที่คนที่เกิดมาในโลกนี้สามารถหากันได้บำบัดกันได้คือความทุกข์ทางร่างกาย บำรุงความสุขทางร่างกายกันได้บำบัดความทุกข์ทางร่างกายกันได้แต่ความทุกข์ทางใจความสุขทางใจนี้มักจะทากันไม่เป็นเพราะไม่รู้วิธีหรือไม่สนใจหรือเข้าใจผิดคิดว่า หาความสุขทางร่างกายแล้วความสุขทางใจก็จะมาด้วยบําบัดความทุกข์ทางร่างกายแล้วความทุกข์ทางใจจะหายไปด้วยแต่ความทุกข์ทางใจนี้มันไม่หายเต่าให้ร่ำรวยขนาดไหนก็ยังทุกข์ได้ยังร้อ ง, องห่มร้องไห้ยังเศร้าโศกเสียใจได้ ก็ไม่รู้จักวิธีบำบัดความทุกข์ทางใจนี้ก็เหมือนกับความทุกข์ทางร่างกายที่เราสามารถบำบัดได้กำจัดได้ความทุกข์ทางร่างกายก็บำบัดด้วยปัจจัยสี่ด้วยอาหารด้วยเครื่องนุ่งห่มด้วยยารักษาโรคด้วยที่อยู่อาศัยความทุกข์ทางใจ เราก็บำบัดได้ด้วยการทำบุญทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญสมาธิเจริญปัญญาอันนี้ก็เป็นปัจจัยสี่ของของจิตใจถ้าอยากจะบำบัดความทุกข์ทางใจต้องหมั่นทำบุญทำทานหมั่นรักษาศีนหมั่นนั่งสมาธิ มันจเจริญปัญญาถ้ามีทานมีศีลมีสมาธิมีปัญญาก็จะสามารถบําบัดความทุกข์ใจลงได้ดังนั้นนอกจากการบําบัดความทุกข์ทางร่างกายแล้วเรายังต้องมาบําบัดความทุกข์ทางใจกันด้วย พระพุทธเจ้าจึางให้เรามีวันมาบำบัดความทุกข์ทางใจกันนะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเรียกว่าวันพระวันพระเป็นวันที่เราจะมาะบำบัดความทุกข์ทางใจมาเสริมสร้างความสุขทางใจด้วยการทำบุญทำทานด้วยการรักษาศีลศีลห้าศีลแปดด้วยการภาวนาด้วยการนั่งสมาธิ ภาวนาสมถะภาวนาก็คือสมาธิวิปัสสนาภาวนาก็คือปัญญาทำให้เกิดสมาธิขึ้นมาทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาแล้วเวลาเกิดความทุกข์ใจเราจะสามารถบำบัดมันได้ทำทานก็บำบัดได้ใน ในระยะในในระดับแรกๆคือมันทำง่ายเหมือนเวลาที่ไม่สบายใช้ยาหมองนี่ก็บางทีก็ช่วยบรรเทาได้แต่อาจจะไม่หายเพราะยังไม่ได้ไปแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุอาจจะต้องไปให้หมอวิเคราะห์ดูว่าทำไมถึงเวียนเวียนศีรษะ ทำไมจึงชอบเป็นลมอยู่เรื่อยหมอจะวิเคราว่าอ่าเป็นหัวใจอาจจะมีหลอดเลือดอุดตันหัวใจทำงานไม่เต็มที่ไม่ทำให้หน้ามืดทำให้วิงเวียนสีษ ะ, ะอันนั้นก็ต้องใช้การบำบัดที่ที่มากขึ้น ต้องไปภาวนาเวลาเราไม่สบายใจเราทำบุญบางทีเราทำแล้วเราก็สบายใจแมันเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่เรื่องของความไม่สบายใจพ้าเราเพียงแต่บาบัดปลายเหตุการทำบุญนี่เหมือนกับช่วยบาบัดความรู้สึกที่ไม่ดีที่เกิดจากต้นเหตุที่เรายังเข้าไปไม่ถึง เราก็บังบัติที่ปายเหตุก่อนทาบุญกันไปก่อนเวลาทาบุญ้ะรู้สึกสบายใจเช่นไปไปมีเรื่องมีลาวกับใครแล้วไม่สบายใจจะไปทาบุญท่านหน่อยทำบุญแล้วก็เ บ, บาอกเบาใจขึ้นสบายอกสบายใจขึ้นแต่เดี๋ยวกลับไปคิดถึงเรื่องที่มีกันก็ไม่สบายใจขึ้นเลย ก็ต้องทำหลายๆอย่างพื่อกระยับขึ้นไปทำบุญทาทานแล้วก็ต้องรักษาศีลรักษาศีลกันแล้วก็มานั่งสมาธิทำใจให้สงบกันแล้วมาฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อให้เพื่อ ใ, ให้รู้ว่าต้นเหตุของความไม่สบายใจ นั้นมันเกิดจากกันแน่แล้วถ้าเรารู้จากการได้ยินได้ฟังทำแล้วเรานําเอาไปปฏิบัติการจัดต้นเหตุที่ทําให้เราไม่สบายใจพอเรากําจัดได้แล้วทีนี้เราก็สบายใจ <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> ถ้าเราสามารถกําจัดต้นเหตุได้เราไม่ต้องไปแก้ที่ปลายเหตุ ผู้ที่มีปัญญานี่ที่สามารถกำจัดความทุกข์ภายในใจได้นี่ไม่ต้องไปทำบุญทาทานก็ได้เพราะว่าได้กำจัดที่ต้นเหตุความไม่สบายใจหายไปหมดถ้าไปทำบุญทาทานก็อาจจะทาให้ความไม่สบายใจหายไประยะหนึ่งเวลาทำบุญแล้วก็มีความสุขใจ เดี๋ยวก็มาเจอความไม่สบายใจอีกเพราะการทำบุญทาทานการรักษาศีหรือการนั่งสมาธินี่ไม่สามารถกําจัดต้นเหตุที่ทำให้เราทุกข์ใจกันได้เพียงแต่ทำให้มันสงบตัวลงได้ตามตามกาลังของแต่แต่การกระทาทำบุญทำทานก็ระงับความไม่สบายใจได้ระดับหนึ่ง รักษาสีนก็ทำให้ความไม่สบายใจรังรับได้อีกระดับหนึ่งนั่งสมาธิก็ทำให้ความไม่สบายใจหายไปหมดเลยแต่หายเป็นชั่วคราวหายไปในขณะที่นั่งอยู่ในสมาธิออกอยากสมาธิมาความไม่สบายใจก็โผล่ขึ้นมาอีกเพราะต้นเหตุที่ทำให้ไม่สบายใจนี้ยังไม่ได้รับการกำจัดนั่นเอง เหมือนกับรักษาโรคที่ปลายเหตุวิว <Yeah. S 1> ียนศีรษะก็หายาดมมายาหอมมากิน <Yeah. S 1> ่กินไปเรื่อยๆมันก็หายชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นใหม่ถ้าไปหาหมอแล้วหมอเขาวิเคราะห์ว่าเป็นะมะเร็งหรือเป็นเอิรเป็นโรคหัวใจหรือเป็นความดันหรือเป็นอะไรแล้วให้ยาไปบำบัดที่ต้นเหตุ อาการวิเวียนศีรษะอะไรต่างๆก็จะหายไปไม่ต้องมาใช้ยาดมไม่ต้องใช้ยาหม่องยาหอมอันนี้ก็เหมือนกันการทำบุญทำทานการรักษาศีลการนั่งสมาธิก็เป็นการบำบัดความไม่สบายใจในแต่ละระดับแต่ไม่สามารถ บำบัดได้อย่างถาวรสิ่งที่จะบำบัดได้อย่างถาวรก็ต้องเป็นปัญญาปัญญานี้จะบำบัดและกำจัดต้นเหตุของความไม่สบายใจต่างๆให้หายไปหมดเลยแต่ก่อนที่เราจะไปถึงขั้นปัญญาได้นี่มันก็ต้องผ่านขั้นสมาธิผ่านขั้นสีมผ่านขั้นทานก่อน เพราะมันมันยากแล้วมันต้องอาศัยทานศีลสมาธิเป็นเก้าบันไดขึ้นไปเหมือนการที่เราจะจบป ร, ริญญาเอกเนี่เราก็ต้องผ่านก ร, ริญญาโทก่อนป ร, ริญญาตรีก่อนผ่านชั้นมัธยมก่อนผ่านชั้นปถมก่อนผ่านชั้นอนุบาลก่อนอย่ันนี้โรงเรียนเปิดนะพวกที่ยังไม่เคยเรียนหนังสือไปโรงเรียนก็ ต้องไป อ, อหนึ่งก่อน อ, อหนึ่งก็อนุบาลหนึ่งสมัยก่อนเราไม่มีเราเข้าปหนึ่งเลยสมัยเราเด็กๆไม่มีอนุบาลดีพาดชั้นสามชั้นเลยสมัยก่อนเรียนที่เริ่มเรียนอายุหกขวบยันนี้เริ่มเรียนตั้งแต่อายุสามขวบเพราะพ่อแม่ไม่มีเวลาว่างเลี้ยงพ่อแม่ต้องไปทำงานกัน ก็เลยเอาลูกไปฝากให้คุณหน่่ยเขาเลี้ยง mm hmm. ก็เลยเรียกว่าโรงเรียนอนุบาลอนุบาลก็บอกแล้วว่าคำว่าบาลก็คือพยาบาล น, นี่เอ mm hmm. ดูแลเลี้ยงดูยังไม่ได้สั่งสอนกันอย่างจริงจังเป็นเหมือนโรงเรียนเลี้ยงโรงเลี้ยงเด็กนี่ดีๆนี่ไปถึงเดี๋ยวก็ให้กินให้นอนะเดี๋ยวเที่ยงกินเสร็จก็ให้นอนเดี๋ยวบ่ายแม่ก็มารับกลับบ้าน ก็ต้องผ่านขั้นตอนของการศึกษาไม่ใช่ว่าจะไปเรียนปริญญาเอกเลยวันนี้พอพอโรงเรียนเปิดก็ไปสมัครเรียนปริญญาเอกกันเลยเพราะอยากจะได้ปริญญาเอกเพราะปริญญาเอกนี้เป็นของวิเศษที่สุดความรู้ที่สูงสุดปัญญาก็เหมือนกันนะปัญญานี้เป็นเครื่องมือที่จะกําจัดความทุกข์ให้หมดไปได้อย่างถาวรใครๆก็อยากได้ เอาปัญญามันดีกว่าเรื่องอะไรไปทำบุญทำทานให้เสียเวลาเรื่องอะไรไปรักษาศีลให้เสียเวลาเรื่องอะไรไปนั่งสมาธิให้เหนื่อยเปล่าคนบางคนคิดว่าไปเรียนอภิธรรมแล้วจะได้ปัญญาเนี่ยนี้ไปเดียนอภิธรรมกันนี่คืออภิแปลว่าอภิแปลว่ายิ่งใหญ่สูงสุด อภิธรรมธรทม ท, ท, ที่ยิ่งใหญ่ทมที่สูงสุดก็คือปัญญาเขาเดี๋ยวนี้พวกที่เขาเป็นบรร ญ, ญาชนพวกที่เรียนที่พวกที่มีป ร, ริญญาทั้งหลายแล้วเขาคิดว่าถ้าไปเรียนอภิธรรมแล้วเขาจะได้ปัญญาแล้วเขาจะได้บรรลุมรรคผลผนิพพานเขาจะสามารถกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้แต่ มีใครบรรลุมรรคผลวิภานจากการเรียนอภิธรรมบ้างมีไหมมีใครมาบอกว่าได้บรรลุจากการเรียนอภิธรรมบ้างไหมเรียนอภิธรรมแล้วไม่ต้องทําบุญทําทานไม่ต้องรักษาศีลไม่ต้องนั่งสมาธิโอ้ยสบายจะตายเลยรู้หมดว่าทำมีอะไรบ้างรู้อริยสัจสี่รู้จิต รู้เจตสิกรู้อะไรรู้ไปหมดแต่ทำไมายังทุกข์ทำไมายังโลภยังอยากอยู่เพราะความรู้นี้ที่ได้จากการศึกษานี้มันยังไม่เป็นความรู้ที่จะมาบาบัดกำจัดต้นเหตุของความทุกข์ใจได้ต้นเหตุของความทุกข์ใจก็คือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนี่ กามาตาหาเนี่ยความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสภาวะตาหาความอยากมีอยากเป็นมีภาวะตานหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นของพวกนี้มันต้องอบำบัดด้วยการปฏิบัติทานศีลสมาธิปัญญาทำไมต้องทำทานเพราะว่า เรายังมีความโลภอยากใช้เงินอยู่นั่นเองยังอยากหาเงินอยากใช้เงินไปซื้อไปทําตามกามาตัาหาเงินที่มีไว้เพื่ออะไรเงินก็มีไว้ตอบสนองกามาตัาหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาเนี่ยถ้าใช้เงินเพื่อตอบสนองตันหามันก็เท่ากับเป็นการสร้างความทุกข์เป็นการเสริมตันหาให้มีมากขึ้นไป ไม่ใช่น้อยลงไปลองทาตามตันหาดูดูว่าตันหามันจะน้อยลงไปนหมบรานเขาก็บอกแล้วพอได้คือก็อยากได้เป็นศอกพอได้ศอกก็อยากได้เป็นวาตอนเด็กๆนี้ได้วันละร้อยก็ดีใจแล้วเดี๋ยวพอเรียนมาหาลัยวันละร้อยก็ไม่พอใช้ต้องห้าร้อยอ พอเรียนจบทำงานวันห้าร้อยก็ไม่พอใช้แล้อต้องห้าพันห้ามื่นย่มีเงินเดือนมากขึ้นเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายก็มากขึ้นไปตามลาดับเพราะความอยากที่จะใช้เงินมันก็มากขึ้นไปตามลาดับนั้นนี่ไม่ใช่เป็นวิธีบาบัดกาจัดความอยากแต่เป็นวิธีเสริมสร้างความอยากให้มีมากขึ้น แล้วพอมีความอยากมากขึ้นเวลาอยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากนี่เป็นยังไงเวลานั้นน่ะถึงจะรู้จักคำว่าทุกข์เป็นยังไงอยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากือเสียสิ่งที่เราอยากได้ไปเสียสิ่งที่เราได้มาด้วยความอยากเวลาเสียจะทุกข์ใจกันเราถึงต้องมา หยุดความอยากด้วยการใช้เงินทองด่านแรกกาจัดความอยากด้วยการใช้เงินทองก็คือต้องไม่ต้องไม่ใช้เงินทองต้องอยากให้มันมีเงินทองไปใช้ตามความอยากต้องมาทํางบประมาณใหม่งบประมาณรายจ่ายจ่ายเฉพาะค่าอาหารของจาเป็นเท่านั้นอาหาร อย่ารักษาโลกที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่หมห่มเครื่องนุ่มห่มมีพอแล้วก็ตัดออกไปอบ้านมีแล้วก็ตัดออกไปค่าใช้จ่ายทั้งบ้านก็อาจจะมีค่าน้ําค่าไฟของนี้เราต้องทํำงบประมาณรายจ่ายเราจะได้ควบคุมการใช้เงินไม่ให้มันใช้ไปในทางความอยากถ้าจะเอาเงินนี้ไปเที่ยวตัดทิ้งไป เอาเงินนี้ไปซื้อของที่มีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องซื้อก็อย่าซื้อเอาเงินพวกนี้ถ้าอยากจะใช้เงินพวกนี้ก็เอาไปทำบุญแทนถ้าอยากจะใช้บุญใช้เงินก็เอาเงินที่จะไปใช้ตามความอยากตามกามะตัหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยเช่นค่ากาแฟนี่ตัดทิ้งไปค่าเบียร์ตัดทิ้งไปค่าบุหรี่ตัดทิ้งไปค่าอะไร ทีวีรายรายรายรายเดือนอทูวิชั่นอะไรตัดทิ้งไปมีอะไรตัดทิ้งไปให้หมดนไอ้พวกนี้มันตามใช้ตามความอยากการมาตัญหาถ้าไม่มีจําเป็นจะต้องมีรถก็ตัดทิ้งไปแต่นั้นไม่ต้องจ่ายถ้ามีรถไม่เที่ยวก็ตัดทิ้งไป ถ้ามีรถไว้ทํางานหาเงินจะเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ยังใช้ได้อยู่แต่ถ้ามีเงินไม่ไปเที่ยวมีรถไว้ไปเที่ยวนี้ถ้าใช้รถก็ใช้แต่เฉพาะกิจที่จําเป็นถ้ายาวรถใช้รถไปเที่ยวก็อย่าอย่าใช้ตัดเสอแล้วเราจะได้อ่ามีรายรายจ่ายรถลงเหลือเหลือไม่มาก ถ้าเราใช้ใช้จ่ายสำหรับสิ่งที่จำเป็นจริงๆนี่รายจ่ายมันจะลดลงเหลือประมาณ้อยละยี่สิบเท่านั้นน้อยละแปดสิบ น, นะ น, นี่มันเป็นรายจ่ายสำหรับความอยากเ น, นัแล้วเราก็จะมีเ ง, เงินเหลือเยอะเราก็มีทางเลือกสองทางถ้าเหลือเยอะก็หยุดทำงานซะไม่ต้องไปหาเงิน เอาเงินที่เราหาได้มานี้ใช้ไปก่อนแล้วเอาวันหยุดนี้มามาสร้างมาทำบุญระดับต่อไปมารักษาศีลมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญาถ้าเราไม่ตัดรายจ่ายมีแต่รายจ่ายเราก็ต้องมีรายได้เราก็ต้องหาเงินหาทองอยู่เรื่อยๆ เ, เราก็จะไม่มีเวลาที่จะมารักษาศีล ไม่มีเวลาจะมานั่งสมาธิไม่มีเวลาที่จะมาเจริญปัญญากันนี่แหละทำไมเราถึงต้องทำทานกันทำทานก็คือหยุดการใช้เงินไ ป, ไปตับกับความอยากแล้วถ้ามีเงินเหลือมากก็เอาไปทำทานได้ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องทำทานนี่คือความหมายที่แท้จริงของการทำทานให้เราเอาเงินที่เราเหนือเฟือ ที่เราไม่ต้องที่เราจะาไปใช้ตามความอยากถ้าอยากจะใช้ก็เอาไปใช้ทาบุญแทนทาบุญก็ได้ความสุขเหมือนกันใช้เงินจำนวนเดียวกันกับการทาบุญกับการไปเที่ยวเนี่ยความสุขใจนี้จะได้มากกว่าจากการไปเที่ยวการไปเที่ยวนี้ได้แป๊บเดียวความสุขแบบควันไฟได้ไปแล้วพอกลับมาจากเที่ยวหายไปหมดแล้วใช่ไหม เหลือแต่อะไรเหลือแต่ความอยากไปเที่ยวใหม่แต่ถ้าเอาไปทําบุญนี่ความสุขที่ได้จากการทําบุญกลับมาบ้านยังอิ่มอกเอิมใจยังสุขใจยังสบายใจก็ทําให้เราอยู่เฉยๆได้อยู่ที่บ้านได้ความอยากออกไปเที่ยวก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าทุกครั้งที่เราจะเอาเงินไปเที่ยวมาทําบุญแทนต่อไปความอยากเที่ยวก็จะหายไป น, นี่คือหน้าที่ของการทำทานเพื่อมากำจัดความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ก็คือสรุปก็คือมาบำบัดความทุกข์ที่เกิดจากความอยากไปเที่ยวได้ความทุกข์ที่อยากจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆได้ความทุกข์ที่เกิดจากอยากจะไปซื้อของหรูหราเห็นคนอื่นเขาใสา่กุชชี่ก็อยากจะใส่กับเขาเห็นคนอื่นเขามีเวอร์ซาเชก็อยากจะมีกับเขา เห็นเขามีไอโฟนล่าสุดก็อยากจะมีกับเขาเห็นเขามีรถล่าสุดนะมีเบนซมีอะไรก็อยากจะมีกับเขาปอช่วงปอร์เช่ถ้าลองปล่อยให้เป็นตามความอยากไม่มีเวลาที่จะมารักษาศีลไม่มีเวลาจะมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญาแล้วแม้ดูพวกที่เขามีของหรูหราเนี่ยเขามีเวลามานั่งสมาธิไหมมีเวลามาวัดกันไหมมารักษาศีลไหม มาก็มาแป๊เดียวมารีบใส่บาตรปุ๊บไปแล้วมากระชเฉพาะแต่วันเกิดหรือวันอะไรแต่ที่จะมามาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมนี่ไม่มีไม่มีมมวันที่จะมาได้ตอต้องมัวแต่ไปหาของพวกนี้กันของพวกนี้มันก็ต้องเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวรุ่นใหม่อามาอีกแล้ว เดี๋ยวก็ระเป๋ารุ่นใหม่ออกมารองเท้ารุ่นใหม่ออกมากระโปรงรุ่นใหม่ออกมารุ่นเก่าใส่ไม่ได้แล้วใส่แล้วเชยนะทำไมคนไม่คนเก่าไม่เปลี่ยนบ้างอ่ะคนใส่ทำไม่เปลี่ยนคนคนใส่มันก็เก่าอยู่ตลอดเวลาแล้วมันไปใส่ของเสื้อผ้าใหม่แล้วมันจะทาให้คนเก่าใหม่ไปด้วยนะคนเก่ามันก็เหมือนเดิมอะ อยากจะทําให้คนคนเก่าเป็นคนใหม่ก็ต้องมาทำบุญทำทานรักษาศีลเลยจะกลายเป็นคนใหม่ขึ้นมากลายเป็นคนเด่นคนดีขึ้นมาคนทําบุญกับคนไม่ทําบุญนั้นคนไหนดีกว่ากันคนรักษาศีลกับคนไม่รักษาศีลคนไหนดีกว่ากันคนนั่งสมาธิกับคนไม่นั่งสมาธิคนมีปัญญากับคนไม่มีปัญญาเนี่ยใครดีกว่ากัน ท่านจะมาเปลี่ยนเปลี่ยนนั่งก่ายดีกว่าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าทำไมเปลี่ยนรองเท้าทำไมเปลี่ยนแล้วมันก็ไม่ได้เปลี่ยนตัวเราตัวเราก็เลวเหมือนเดิมทมําบุญก็ขี้เหนียวศีลก็รักษาไม่ได้ชอบโกหกชอบหลอกลวงกันชอบประพฤติผิดประเวณีกันชอบเดินสุรายาเมากันแล้วไปใส่เสื้อผ้าชุดใหม่ๆขับรถรุ่นใหม่ๆมันจะไปวิเศษขึ้นมาได้ยังไง ตัวที่จะวิเศษก็คือเราตัวเราเราต้องเปลี่ยนที่ตัวเราเองเปลี่ยนรุ่นใหม่ขยับจากจากการไม่ทําบุญมาทําบุญจากการไม่มีศีลมารักษาศีลจากการไม่เคยนั่งสมาธิมานั่งสมาธิกันจากการไม่เคยฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาก็มาฟังเทศฟังธรรมกันทดลองได้ว่าจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่เลย จะเปลี่ยนเป็นรุ่นโสดาบันก็ได้รุ่นสกิดาคามีก็ได้รุ่นอาณาคาเมก็ได้รุ่นอรหันต์ก็ได้แต่ตอนนี้มีแต่รุ่นปุตุชนเปลี่ยนอะไรก็ยังปุตุชนเหมือนเดิมเปลี่ยนรถเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนแฟนเปลี่ยนอะไรก็ยังปุตุชนเหมือนเดิมอยู่ใช่ไหมใครเปลี่ยนมาเยอะแยะก็มีอะไรรถก็เปลี่ยนมาหลายคันแล้วโทรศัพท์ก็เปลี่ยนมาหลายเครื่องแะ้ว รุ่นใหม่ๆทั้งนั้นของดีๆทั้งนั้นแต่คนใช้ก็ยังเหมือนเดิมไยคนใช้ก็ยังเป็นปุถุชนมีกิเลสมีโลภโกรธหลงเหมือนเดิมทํำไมไม่มาเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ๆมั่งล่ะจากปุถุชนมาเป็นโสดาบันบ้างเลยเป็นสกิดาคามีบ้างเลยเป็นอนาคามีบ้างเป็นอรหันบ้างเนี่อของพวกนี้เปลี่ยนได้กับไม่เปลี่ยนกันดพนะูพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าไม่เปลี่ยนอนะ่ะ ท่ามีประสาทสามดูดูท่านทิ้งเลยไม่เอาเลยมาเปลี่ยนอามาเปลี่ยนตัวท่านดีกว่าเปลี่ยนจากปุตุชนมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วเป็นงไงเนี่ยผ่านมาตั้งสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วท่านยังอยู่ภายในใจของพวกเราเลยความประทับใจในตัวท่านนี่มันยังอยู่กับชาวโลกอยู่จนถึงทุกวันนี้เพราะ เพราะคุณที่ท่านมีต่อชาวโลกนี่มันไม่มีใครที่จะสามารถทำได้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพวกเราจะไม่รู้จักวิธีบาบัดความทุกข์ทางใจจะไม่รู้จักวิธีสร้างความสุขทางใจกันจะไปสร้างความสุขทางร่างกายกันแล้วก็ปล่อยให้ใจทุกข์ปล่อยให้ใจไม่มีความสุขเราเลกใช้เงินทางเพื่อมา หาความสุขกันนี่คือเป้าหมายของการทำทานถ้าจะใช้เงินทองหาความสุขก็ต้องเอามาทำทานเท่านั้นถึงจะเป็นวิธีที่หาเงินหาความสุขทางใจได้อย่างแท้จริงจากการใช้เงินทองเราเอาเงินทองนี้ไปทำบุญไปไม่ต้องทำกับพระก็ได้คาว่าบุญนี้คือความสุขใจทานแปลว่าการให้เอาเงินทองไปให้ผู้อื่น เป็นใครก็ได้ทั้งนั้นอ่ะให้เขาแล้วเราจะเกิดความสุขใจขึ้นมาเราชอบช่วยเหลือใครก็ไปช่วยเหลือบางคนชอบชอบช่วยเหลือหมาก็ไปช่วยหมาไปเลี้ยงหมาบางคนชอบปล่อยปลาปล่อยนกก็ไปปล่อยบางคนชอบปล่อยโคปล่อยกระบือก็ไปปล่อยโคปล่อยกระบือบางคนชอบถวายสังฆทานก็ไปสังฆทาน ได้ทั้งนั้นอันนี้เป็นการทำบุญด้วยเงินทาความสุขด้วยเงินทองใช้ใช้เงินทองซื้อความสุขทางใจแต่อย่าเอาเงินทองไปซื้อความสุขตามความอยากเพราะมันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขควันไฟได้มาปุ๊บแล้วก็หายไปแล้วก็ทำให้เกิดความอยากต้องต้องต้องซื้ออยู่เรื่อยๆต้องใช้อยู่เรื่อยๆ ซื้อเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอไม่เหมือนกับเอาเงินมาทำบุญทำแล้วจะอิ่มใจจะสุขใจนี่ขั้นที่หนึ่งการบำบัดความทุกข์ใจด้วยการใช้เงินทองถ้าเรามีนะแต่สมมุติถ้าเราไม่มีก็ข้อ น, นี้เราก็ข้ามไปได้เมื่อไม่มีเงินทองจะไปจะไปทาทานได้อย่างไรใช่หก็ทาทำ กำจัดความอยากอีกวิธีต่อไปเลยวิธีต่อไปก็คือกำจัดความอยากด้วยการรักษาศีลอยางั้นอย่าไปหาเงินทองเพื่อมาทําบุญก็้า ไ, ไหมอันนี้จะวนอยู่ในอ่างบางคนไม่มีเงินทองอยากจะทําบุญเห็นคนนึ่งถกขาถูกถก็สอนว่าทําบุญแล้วต้องทําบุญทำทานนะถึงจะไปสวรรค์ได้ถึงไม่จําเป็นหรอกรักษาศีลก็ไปได้ เร้ทำบุญก็ไม่ต้องใช้เงินทำก็ได้ใช้ร่างกายทำก็ได้ไปรับใช้ผู้อื่นไปช่วยเหลือผู้อื่นนี่ก็ได้บุญแล้วเช่นมาวัดเนี่ยช่วยกวาดกันช่วยเก็บกันช่วยทำอะไรกันเนี่ยช่วยกันร่างห้องน้ำห้องท่าทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมอันนี้ก็ได้บุญแล้วได้ความสุขใจเหมือนกัน ถ้าเราไม่มีเงินทองก็ดีเราจะได้มาเราจะได้มาทำบุญที่สูงกว่าคือการรักษาศีลรักษาศีลนี้จะทำกาจัดความอยากได้มากที่ตัวร้ายกาจกว่ารักษาศีลยังทำให้เราอยากฆ่าไม่ได้นะกาจัดความอยากฆ่าได้กำจัดความอยากขโมยของได้กาจัดความอยากประพฤติผิดประเวณีได้กาจัดความอยากโกหกหลอกลวงได้ จากความอยากหนึ่มสุรายามเมาได้ของพวกนี้เป็นพิษเป็นภัยใช่ไหมเป็นยาพิษเป็นเป็นตัวที่จะทําให้ใจเราทุกข์กันแต่ทําไมไปทไไปํากันนทําไมไปฆ่ากันไปรักทรัพย์กันไปประพฤติผิดประเวณีกันเพราะความอยากอยากทําอยากได้ <c oughs> ก็เลยต้องทําแต่ถ้าเรามารักษาศีลกันเราก็จะไม่ทํากัน ไม่ทําความทุกข์ที่เกิดจากการฆ่าก็ไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากการลักทรัพย์ก็ไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากการประพฤติผิดประเวณีก็ไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากการโกหกหลอกลวงกันก็ไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากการดื่มสุรายาเมาก็จะไม่มีเนี่ยมันก็จะทําให้เรากําจัดความอยากได้เพิ่มขึ้น การกำจัดความอยากด้วยการรักษาศีลนี่มันยากกว่าการกำจัดความอยากด้วยการทำเงินทำบุญทำทานแต่เราก็ต้องทำบุญทำทานก่อนเพราะการทำบุญทำทานนี้จะทำให้เราเป็นคนที่มีจิตใจที่เมตตาเป็นคนที่จะไม่อยากทำร้ายผู้อื่นเพราะเราจะอยากจะช่วยคนอื่นอยากจะให้คนอื่นมีความสุข เวลาเราจะทำอะไรเราก็ต้องจะจ ะ, จะไม่ฆ่าสัตว์จะไม่ลักทรัพย์พอเรารู้ว่าถ้าฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ปะพืชผิดประเวณีแล้วมันทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนทำให้คนอื่นเขาไม่สบายใจเรามีแต่อย่างให้คนเขาสบายใจเราทำบุญทาทานเพื่อให้คนอื่นสบายใจแล้วเราจะไปทำบาปทำไมนี่ก็คือ ถ้าเราทำบุญทำทานได้ความโลภเราจะน้อยลงความอยากของเราอยากจะได้เงินได้ทองจะน้อยลงไปมันก็จะทำให้เร า, เาไม่ต้องไปทำบาปกันถ้าเรายังโลภอยากได้เงินทองมากๆได้มาเราก็ใช้มากๆ ก, ก็ต้องหาด้วยวิธีทำบาปกันด้วยการโกหกบ้างหลอกลวงกันช่อโกงกัน <c oughs> วิธีหาเงินได้มากๆ ง่ายๆเร็วๆก็คือต้องโกหกกันต้องโกงกันใช่ไหมมาแกล้งยืมเงินสักห้าล้านยืมแล้วก็ไม่จ่ายง่ายจะตายพูดหวานๆ <c oughs> พูดให้เขาสงสารหน่อยให้เขาเกรงใจหน่อยเดี๋ยวก็เขาก็ต้องให้แล้ว <c oughs> ให้แล้วก็ไม่ใช้แล้วสิ <c oughs> อันนี้คือ เรื่องของการกำจัดความอยากกำจัดความทุกข์ด้การรักษาสีทําข้อพวกนี้ให้ได้ก่อนเถอะเพราะมันแต่ละข้อมันยากขึ้นไปตามลำดับเหมือนเวลาเราทำข้อสอบนี่ถ้าเจอข้อสอบที่เราทําไม่ได้เราทาไงเราข้ามไปก่อนใช่ไหมเราไปทาข้อที่เราทําได้ก่อนมัวไปทําข้อที่เราทําไม่ได้เดี๋ยวข้อที่เราทําได้ไม่ได้ทาเดี๋ยวหมดเวลา อย่งอย่าไปทําข้อที่ยากที่เรายังทําไม่ได้ปัญญานี่อย่าเพิ่งไปทำํำสมาธินี่อย่าเพิ่งไปทำถ้ายังทําไม่ได้นทําข้อที่เราทําได้ก่อนทําทานไปก่อนรักษาศีลไปก่อนพอรักษาศีลหได้ก็ทํารักษาศีลแปดต่อไป <Yeah. S 1> เพราะถ้าจะขึ้นไปสู่การนั่งสมาธินี้ต้องมีศีลแปดเป็นช่วยเป็นผู้สนับสนุนศีลห้านี้ไม่พอ ที่ท่านบอกว่าสมาธินี่ที่จะได้ที่จะมีอันที่สงมากมีประโยชน์มากนี้ต้องได้รับการอบรมด้วยศีลศีลที่จะอบรมสมาธิก็ต้องเป็นศีลแปดขึ้นไปศีลห้านี้มันไม่พอเพราะศีลห้ายังดูหนังได้ยังกินข้าวเย็นได้ยังร่วมหลับนอนกับแฟนได้แล้วมันจะเวลาไปนั่งสมาธิที่ไหน ถ้ารักษาศีลห้ามันก็ไม่น่มันดูหนังไม่ดีกว่าไปกินข้าวเย็นไม่ดีกว่าไปนอนกับแฟนไม่ดีกว่าใช่ไหมถ้าอยากจะนั่งสมาธิอยากจะเป็นอยากจะเป็นศีลที่อบรมสมาธิให้มีอนิสงส์มีประโยชน์ก็ต้องเป็นศีลแปดท่านบอกว่าสมาธิที่อบรมด้วยศีลแล้วนี้จะมีอนิสงส์มากมีมีประโยชน์มาก เพราะว่าจะได้อัปปนาสมาธินั่นเองถ้าเราฝึกสมาธิแบบเต็มรูปแบบถ้าเรานั่งสมาธิแค่วันละครั้ ง, ง, ง, งสองครั้งนี่มันยังไม่ถือว่าจะไม่มีวันที่จะได้อัปปนาสมาธิตอนที่อยากจะได้ปนาสมาธินี่นต้องทำทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับก็ต้องถือศีลแปดไม่งั้นเดี๋ยว ไม่ถือสีลแปดมันก็ไปทำอย่างอื่นเมื่อทำอย่างอื่นมันก็จะมีเวลามาทำสมาธิเพียงนิดเดียว<ม>พวกญาติโยมที่นั่งสมาธิกันเนี่ยถามนั่งกันเวลากี่ชั่วโมงเช้าครึ่งชั่วโมงก่อนนอนครึ่งชั่วโมงจบแล้วจะเอาอัปปนาสมาธิศีลแปดก็ไม่รักษาข้าวเย็นข้าวเย็นก็ไม่อดแฟนก็ยังอยากจะนอนกับแฟนอยู่ แล้วมันจะ อ, อัปปนาสมาธิได้อย่างไรเพราะศีลที่เป็นผู้อบรมสมาธิมันไม่มีศีลที่จะ อ, อบรมสมาธิให้เป็นอัปปนาสมาธิให้มีอนิสงส์ให้มีประโยชน์ก็ต้องเป็นศีลแปดขึ้นไปศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่บเจ็ดถึงมักจะเกิดกับพวกนักบวชกันพวกนักบวชเขาจะได้อัปปนาสมาธิกันเพราะเขาไม่ต้องทางานอย่างอื่น เขาไม่ต้องทํากิจกรรมเหมือนพวกญาติโยมทํากันเขาไม่กินข้าวเย็นเขาไม่นอนกับแฟนเขาไม่ดูหนังฟังเพลงเขาไม่ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆเขาไม่แต่งเนื้อแต่งตัวไม่เสียเวลาเสียเวลาเขาไม่นอนบนฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆเขานอนบนพื้นนอ น, พ, นพื้นแข็งพื้นไมพน้พื้นปูนพื้นอะไร นอนกับพื้นพูนง่ายๆปูเสือ่อถ้ามันเย็นก็ปูผ้าหน่อยกันความเย็นความชื้นของของพื้นพอแล้วเพราะนอนแบบนี้มันจะนอนไม่นานนอนพอพักผ่อนร่างกายก็พอสี่ห้าชั่วโมงก็ตื่นแล้วถ้านอนมาสุกงหนืานะ่ะเดี๋ยวตื่น้ะก็ไม่ลุกต่อต่ออีกสามสี่ชั่วโมงเวลาที่จะมานั่งสมาธิก็เลยไม่มี กานถึงบอกว่าศีลที่อบรมบสมาธิอที่อบรมสมาธิเนี่ยมีอ น, นิสงฆ์มากสมาธิที่ศีลอบรมสมาธินี้จะมีอ น, นิสงฆ์มากก็เพราะว่าต้องเป็นศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยิบเจ็ดแล้วสมาธิจะได้ก็จะได้เป็นอัปปนาสมาธิไม่ใช่สมาธิแบบนกกระจอกกินน้ำนั่งครึ่งชั่วโมงยังไม่ทนันรู้สึกอะไรแล้วต้องลุกขึ้นมาแล้ว นี่ท่านบอกว่าศีลที่อสมาธิที่ศีลอบรมดีแล้วจะมีอ น, นิสงส์มากมีประโยชน์มากก็หมายถึงอัปปนาสมาธิเนี่ยที่แล้วขั้นต่อไปพอมีอัปปนาสมาธิแล้วก็จะไปอบรมปัญญาได้ปัญญาที่มีสมาธิอบรมดีแล้วแล้วนี่จะมีอ น, นิสงส์มากมีประโยชน์ม้ากเพราะปัญญาที่จะที่จะ เกิดขึ้นก็จะเรียกว่าเป็นภาวนามายปัญญาภาวนามายปัญญานี้ต้องมีสมาธิคืออัปปนาสมาธิเป็นผู้สนับสนุนถ้าไม่เช่นนั้นจะเป็นเพียงสุดตะเป็นจินตาคิดไปอย่างไรถ้าจิตไม่มีอัปปนาสมาธิก็เรียกว่าจินตาเมายปัญญาพิจารณาว่าร่างกายเกิดแก่เจ็บตายดินน้ำลมไฟพิจารณาได้ แต่พอถึงเวลาให้ปล่อยปล่อยไม่ได้เพราะไม่มีกำลังปล่อยนะร่างกายของแฟนเป็นดินน้ำลมไฟเกิดแก่เจ็บตายพอเขาไปแล้วเรายังไม่ปล่อยเราก็ยังคิดถึงเขาอยู่อางนทั้งๆงที่เขากายเป็นดินน้ำลมไฟไปแล้วทั้งๆที่เราก็รู้ว่าเขาเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่พอเขาไปแล้วแต่ ปัญญาของเรามันไม่ได้เป็นภาวนามัยปัญญาถ้าเป็นภาวนามัจยปัญญามันลืมไปแล้วมันปล่อยไปแล้วกลายเป็นดินน้ำลมไฟไปแล้วไม่ใช่เป็นแฟนไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วหายไปแล้วเป็นความฝันเนี่ยต่างกันตรงนีน้ปัญญาที่เรียนกันอภิธรรมอเรียนจากหนังสือด็ดีเรียนจากการฟังเทศฟังธรรมดีนี้ เรียกว่าสุตรมยัคัญญาแล้วเอาไปพิจารณาต่อเรียกว่าจินตมยัคัญญาปัญญาสองอันนี้ถ้าไม่มีอปปนาสมาธิสนับสนุนยังไม่เป็นภาวนามยัคบัญญายังตัดกิเลสไม่ได้เพราะว่าถ้าจิตที่มีปัญญาอบรมดีแล้วถ้าเป็นอปปนาถ้าเป็นภาวนามยปัญญาอบรมจิตแล้วจิตจะหลุดพ้นจากความทุกข์โดยถ่ายเดียวนะ มีพระเจ้าทรงแสดงไว้าาสามขั้นขั้นศีลสมาธิปัญญากับการหลุดพ้นเนี่ยมันเกิดจากการเจริญขั้นต้นก็เอาศีลมาอบรมสมาธิให้เป็นอัปปนาสมาธินีสมาธิที่ศีลอบรมดีแล้วก็ต้องเป็นศีลแปดศีลแปดสมาธิที่ศีลอบรมดีแล้วมีประโยชน์มากมีอ น, นิสงส์มากถ้าเป็นศีลแปด ก็จะได้อัปปนาสมาธิแล้วปัญญาที่ได้รับการอบรมด้วยสมาธิก็คือได้อัปปนาสมาธิมาสนับสนุนในการพิจารณาทางปัญญาปัญญาก็จะกลายเป็นภาวนามายะปัญญาขึ้นมาไม่เป็นจินตามายะปัญญาถ้าไม่มีอัปปนาสมาธิพิจารณาอย่างไงานก็เป็นแค่จินตามายะปัญญาเวลาจะเกิดกิเลสก็หยุดมันไม่ได้ เกิดความโลภเกิดความอยากเกิดความกลัวเกิดความลักความชังนี้หยุดมันไม่ได้แต่ถ้าเป็นภาวนามย์ปัญญานี้หยุดมันได้ถ้ามีปัญญาระดับภาวนาปัญญาปัญญาอบรมจิตจิตก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์โดยถ่ายเดียวเนี่ยถ้าเราต้องการปัญญามันต้องเป็นภาวนามย์ปัญญาถ้าต้องการศีลต้องเป็น อ่าถ้าต้องการสมาธิต้องเป็นอัปปนาสมาธิถ้าต้องการศีลก็ต้องเป็นศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยยี่สบเจ็ดถ้าทำทานก็ต้องทำหมดเลยอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยสละเหล้าจะสมบัติเลยคูบาคนที่ไปบวชไปถือศีลแปดศีลสิบกันเขาก็สละทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองไปเลยมีเท่าไหร่ก็ยกให้คนอื่เขาไป นี่แหะคือทานระดับที่จะเปลี่ยนให้เราจากปุถุชนมาเป็นอริยะบุคคลกันต้องทําทานแบบหมดเนื้อหมดตัวต้องกลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวต้องไปอยู่แบบขอทานเช้าก็อุบบาดเข้าหมู่บ้านไปขอทานอยู่แบบไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองจะได้มีเวลามารักษาศีลได้อย่างเต็มที่ มีเวลามานั่งสมาธิได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนเพื่อจะทำให้มันเป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมาพ อ, อมันเป็นอัปปนาสมาธิแล้วเราก็พิจารณาปัญญาตลอดเวลาเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิก็พิจารณาปัญญาเวลาพิจารณาแล้วเหนื่อยก็หยุดเข้าไปพักในสมาธิสลับกันไปทำอย่างนี้ไปแล้วเดี๋ยวเกลียดตัณหาโผมาก็สามารถใช้ภาวนามายะปัญญากาจัดมันได้ กำจัดสังโยชน์เสียได้กำจัดสักายะทิติกำจัดศรีลรพัฒน์ปรมานกำจัดวิจิตกิจฉาความนังในสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์กำจัดสารตัวแรกได้ก็เป็นพระโสดาบันพอทําให้อีกสตัวเบาบางลงคือการมราคะกับปฏิฆะการมาราคะก็คือความอยากอยากมีเพศสัมพันธ์ ปฏิภาก็คือความหงุดหงิดใจเวลาอยากจะมีเพศสัมพันธ์แล้วไม่ได้มีมันหงุดหงิด ต, ต้องมีมันถึงจะหายหงุดหงิดแต่นั้นไม่ใช่เป็นวิธีแก้ความหงุดหงิดเวลาหงุดหงิดแล้วไปมีเพศสัมพันธ์มันก็หายชั่วคราวแล้วเดี๋ยวพอเกิดความอยากมีเพศสัมพันธ์ขึ้นมาใหม่ความอยากความหงุดหงิดก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่วิธีที่จะทําให้ความหงุดหงิดหายไปความ การมราคาหายไปก็ต้องพิจารณาอาสุภะถ้าพิจารณ า, าสุภะทําให้มันเบาบางลงไปก็ได้ขั้นที่สองขั้นพระสกิรากามีพระสกิราคามีนี้ยังไม่กําจัดได้ร้อยเปซนต์กจัดได้ประมาณครึ่งหนึ่งคือบางทียังเผลออยู่บางทีไม่ได้พิจารณาก็เกิดการมารลมขึ้นมาเวลาพิจารณาการมารลมก็ดับไปแต่ยังเผลอ ยังปล่อยให้เกิดการมารลมขึ้นมาอยู่ต้องเป็นพระอนาคามีขั้นที่สามเนี่ยที่จะละเพราะว่าจะพิพจารณาทำอยู่ตลอดเวลาเจริญปัญญาตลอดเวลาเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิจะพิจารณาอสุภะตลอดเวลาเห็นร่างกายของใครนี้เห็นเป็นสร้างศพเห็นเป็นตับไตไส้พุงเห็นโครงกระดูกเห็น ตับเห็นหัวใจเห็นปอดเห็นลำไส้อะไรต่างๆจงกนกระทั่งมันไม่มีความรู้สึกจะมีอยากจะมีเพศสัมพันธ์กับใครต่อไปเนี่ยะสังโยชนห้าข้อแรกและด้วยเนี่ยปัญญาแต่ต้องเป็นภาวนามายปัญญาเป็นปัญญาที่สนับสนุนด้วยอัปปนาสมาธิเวลาปัญญาไม่ไม่แหลมคมก็พักก่อนก็ไป ไปไปรับมีดในอัปปนาสมาธิแสดงว่ากําลังของสมาธิหมดกําลังของปัญญาหมดก็ต้องเข้าไปพักเอากําลังพอพักเสร็จออกมาก็พิจารณาอสุภะต่อไปพิจารณาปัญญาต่อไปเนีย่ยทำอย่างนี้ไปพอผ่านห้าข้อแรกก็ไปล่อีกข้อห้าข้อหลังสังโยชน์เบื้องต่ํากับสังโยชน์เบื้องสูงเบื้องต่ําก็มีเนี่ยสักกายทิฏฐิความถือ ถือว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราวิจิตรกิจฉาความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์าาศีลั์พัะตะปารมาาการทําพิธีกรรมต่างๆเพื่อมาบำบัดความทุกข์ใจบำบัดไม่ได้ความทุกข์ใจพิธีกรรมต่างๆบำบัดไม่ได้สิ่งที่ทําให้เราทุกข์ใจคือตัณหาความอยากต้องกาจัดความอยากแล้วความทุกข์ใจจะหายไป ก็มากำจัดกามราคะปฏิฆะความอยากเสพกามปฏิฆะความหงุดหงิดใจที่เกิดจากการอยากจะเสพกามแล้วไม่ได้เสพแล้วพอผ่านห้าข้อนี้ได้ก็ไปไปกำจัดอีกห้าข้อรู ป, ปราคะความความชอบในรูปประฌานอารู ป, ป ร, ราคะความชอบในรูปา ร, รูปประฌาน แล้วก็มีมานะการถือตัวยังมีเต้อต้นอยู่ตาหน้ า, นาคามียังถือตัวอยู่ยังมีตัวมีตนอยู่ยังมีเรามีเขาอยู่แล้วก็ไปกำจัดความฟุ้งซ่านแล้วก็กำจัดอวิชชาคือความไม่รู้ว่ากิเลสตัณหายังมีอยู่ในใจอยู่ ต้องใช้ปัญญาคอยสังเกตดูก็จะเห็นว่าอ๋อยังมีกิเลสอยู่ยังมีความโลภอยู่ถึงแม้ไม่โลภในร่างกายมันก็มีโลภในเรื่องอื่นโลภในจิตโลภในความสุขของจิตโลภในสมาธิในรูปประจานารูปประจานอยู่<ม>ก็ต้องกำจัดมันให้หมดมก็กำจัดห้าข้อนี้แล้วก็หมดมทีนี้ก็พลิกเปลี่ยน เป็นตอนจากปุถุชนมาเป็นอรหันต์หรือเป็นพระพุทธเจ้าไปม า, มาเปลี่ยนตัวเราดีกว่าอย่าไปเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์มือถือเลยอย่าไปเปลี่ยนรถยนตย์อย่าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยเปลี่ยนกระเป๋าเลยเปลี่ยนยังไงมันก็คนเก่านั่นแหละมันก็ปุถุชนเหมือนเดิมนั่นแหละโลภโกรธหลงเหมือนเดิมร้องห่มร้องไห้เหมือนเดิมเศร้าโศกเสียใจเหมือนเดิมเศร้าซ้อยหงอยเงาเหมือนเดิม วิตกกังวลเหมือนเดิมเปลี่ยนเปลี่ยนให้มันถูกที่ดีกว่าถ้วเปลี่ยนจากกุตัวจอเป็นผ้านะหารแล้วนี่ไม่มีความเศร้าโอยหงอยเหงาไม่มีความว่าเวยไม่มีความวิตกกังวลไม่มีความหวาดกลัวไม่มีความโลภกดลงไม่มีความอยากไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับใครทั้งนั้นใครจะเป็นจะตาย ร่างกายของตนจะเป็นจะตายก็ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายเปลี่ยนแบบนี้ดีกว่าแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆมันร่างกายนี้ตายไปก็ไม่กลับมาเปลี่ยนร่างกายใหม่พอแล้ว <c oughs> นี่คือเรื่องของ <c oughs> ทานศีลสมาธิปัญญาอย่าไปเอาปัญญาแบบทางรัฐ เรียนอภิธรรมเรียนแล้วทานก็ไม่ทำศีลก็ไม่รักษาสมาธิก็ไม่นั่งเรียนไปก็เสียเวลาเปล่าพระพุทธเจ้าจะจะบอกพวกใบลานเปล่าเป็นความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดไม่รอดพ้นจากความทุกข์ต้องเอาแบบที่พระเจ้าสอนให้ทําทาทานไปรักษาศีลไปนั่งสมาธิไปเจริญปัญญาไปแล้วจะได้เปลี่ยนตนเองจาก ปุตุชนไปเป็นโสดาบันไปเป็นสกิดาคามีอนาคามีเป็นพระอาหารหันต์เป็นพระพุทธเจ้าไปตามลำดับอย่างแน่นอนนี่คือทางเดียวทางตรงทางอื่นไม่มีก็พอสมควรแก่เวลาญานุโมธนาให้พรญาท้าวฤากวาหาปุราปรกปุเรนติสาครลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตาหนังอุปกาปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิดเเมวะสมิจจตุสัพเเอปุเรนตุสังกปาจันโทปันาวะโสยถามณิโชติอรโสยถาสัพพิติโยวิวาจาตุสัพพารุโควินัสตุ มาเตผวะตะวันตารายยสุขีทีขายุโกภะอภิวาทานสีิตสะนิจังวุทธาปจายโนจตารูธัมมวัฏานติอายุวันูสุขังภาลางยังไงวันนี้หายค้องใจยังไม่ยังไม่หาย ก็าองไปปฏิบัติเนี่ยฟางยังไงก็ไม่หายเน่ะมันเป็นสุดะมัจจปัญญาอิเลชยังไม่ตายจากการฟังต้องไปทาให้มันเป็นภาวนามัยะปัญญาใช่ไนะวันนี้ทางเฟซบุ๊กเข้ามาเท่าไหร่สี่ร้อยสี่พอวันนี้เกือส <40 4 S 1> ี่แล้วเหร <c oughs> อวันแรกเลย <c oughs> <c oughs> อเออ อคลิปอันแรกนี่มีคนเข้าถึงเท่าไหร่พอดีลืมดูจำได้ไหมเม่อวานอ่าเราเราเปิดดูดิอันแรกอันที่อันที่สองมีมีอันที่สองก็เลยอันที่สองทีละคลิปทีวีที่ที่ถ่ายเพราอวานนี่พูดถึงเรื่องอะไรนะเรื่องอันที่สองเรื่องอ่าสังฆทานครับอาจารย์อ่สังฆทานอันที่สองครับอันที่สอง เ็่นหาเจ็ดหมืนห้าโอ้โหเยอะกว่าส่เท้าส่วนใหญ่ไงมันดูง่ายครับอาจาอ่์มันสั้นๆนะแช่สี่ร้อยส่ายเอ่าดูส่วนนี่แค่ห้าหมืนเข้าถึงประมาณห้าหมื่นี่คลิปสั้นๆเจ็ดหมืนเลยไม่น่ายอดถึงขึ้นพูดขึ้นไปเลยนะคนเข้าถึงห้าแสนกว่านะต่ออาทิตย์เนี่ย มีลูกเล่นใหม่ๆออกมาเป็นสินค้าใหม่ๆออกมาล่อใจ <laughs> <laughs> นี่ธรรมะก็เป็นเหมือนสินค้าอย่างเลยมันแต่ไม่มีเงินไม่ไม่ไมขายฟรีแจกฟรี <laughs> คนนี้ก็ทํานแจะหาที่งานครับอาจารย์ให้แบบอาสาสมัครใครจะยินติดต่อมาได้นะครับหา <laughs> อาสาหาอาสาสมัครแบบติดต่อพวกเว็บไซต์อะให้ให้อาให้ขอแบบให้เขาทําเป็นธรรมทานอะไรที่เกี่ยวกับธรรมะให้เขาเอาไปลงอะไรอย่างเงี้ยครับอรย์ เดี๋ยวเขาขอเองแหละไม่ต้องไปขอเขาเดี๋ยวได้เขาชอบเดี๋ยวก็มาขอเองนะเราไม่ได้ทำเพื่อยอดหรอกเราทำเพื่อเพื่อเผยแผ่ทำจะมากจะน้อยก็ไม่เป็นปัญหาเลยเพราะยังไงก็ต้องพูดคนเดียวพูดคนเดียวก็พูดเหมือนกันพูดห้าคนก็พูดเหมือนกันคนเดียวพูด อยากคนฟังมันอาจจะมีมากมีน้อยแล้วแต่โอกาสเมื่อก่อนก็ไม่มีถ่ายทอดเลยไม่มีไม่มีธรรมะบนเขาเลยก็มีคนมาหาก็มาพูดมาฟังกันก็มีไม่กี่คนก็ต้องพูดไปทำไปเหมือนเป็นร้านขายยาเนี่ยพอคนจะมาซื้อยาก็ต้องขายของคนมาธรรมะก็เหมือนหามาหายาเนี่ย นันเรียกว่าธรรมะนี่เป็นธรรมะโอษฐ์ยารักษาโรคความทุกข์ใจเมื่อมียาขายคนเข้ามาซื้อก็ต้องขายให้เขาวอากินข้าฟรีแล้วเนี่ยจะไป <c oughs> จะไม่ขายได้ไง <c oughs> ไม่ขายเดี๋ยวตอนเช้าไปบินระบาตก็ไม่ใส่บาทให้ห น, น, <c oughs> น้าที่ของพระกับโยมก็อยู่ตรงนี้สนับสนุนกัน โยมก็สนับสนุนพระด้วยด้วยปัจจัยสีด้วยจีวรอาหารบิณฑบาต ท, ที่อยู่อาศัยยารักษาโรคพระก็สนับสนุน ญ, ญ, ญาติโยมด้วยการอบรมสั่งสอนธรรมสอนให้ปฏิบัติธรรมกันอันนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างพระกับญาติโยมมีแค่นี้แหละ ไม่ใช่มาทําวัตถุมงคลแจกมานั่งปกนั่งเฝ่ามานั่งอาบน้ํามนให้ญาติโยมนี่มไม่ใช่หน้าที่ของพระนชอบมาให้พระทำไอ้เรื่องที่ไม่ใช่เป็นหน้าที่ให้เจิมรถบ้างให้ไม่เจิมรถก็ขอให้นั่งหน่อยก็ยังดีไม่นั่งก็ขอให้ถ่ายรูปทักหน่อยก็ยังดีอ๋อมันอะไรนหน้าที่ของพระมีเพียงแต่อบรมสั่งสอนญาติโยม ให้มีดวงตาเห็นธรรมให้หลุดพ้นจากความทุกข์นี่คือหน้าที่ของพระถ้าพระทำอย่างอื่นนี่อย่าไปอย่าไปสนใจเลยมันไม่เกิดประโยชน์ถ้าพระแจกแจกเครื่องรางของขังแจกผ้ายันแจกสายศีลแจกอะไรต่างๆแจกพระทุกพระท่าอะไรนี่อย่าไปสนใจหน้าที่ของพระมีอย่างเดียวแจกธรรมะ ดูพระพุทธเจ้าสิท่านแจกอะไรไหมเคยศึกษาประวัติพระพุทธเจ้าดูไหมว่าเคยแจกตะกรุดไหมเคยแจกอพระพุทธรูปไหมเคยแจกสายศีลไอมพระพุทธเจ้ามีแต่แสดงธรรมวันละห้ารอบสี่รอบเนี่ยบ่ายสอนญาติโยมตอนค่ำสอนอนภิกษุสมัมมเนรตอนดึกสอนเทวดา ตอนเช้าก่อนจะออกไปโปรดสัตว์บินสบายก็เล็งยานือว่าวันนี้จะไปสอนใครเป็นกรณีพิเศษนไปโปรดใครเป็นกรณีพิเศษเพราะจิตใจเขาอาจจะพร้อมหรือว่าชีวิตเขาจะต้องมีอันสิ้นสุดไปโดยเร็วถ้าไม่ไปช่วยเขาก่อนเดี๋ยวเขาจะเสียโอกาสเได้เจ็บไข้ได้ป่วยจะตายแต่ใจเขาพร้อมที่จะรับธรรมนีก็จะไปสอนเขา ให้เขาได้บรรลุธรรมก่อนตายเหมือนพ่อพระพุทธเจ้าเนี่ยบรรลุธรรมก่อนตายเจ็ดวันเพราะคนใกล้ตายนี้จะเชื่อธรรมมากง่ายคนที่ยังไม่ตายนี่มันขี้มันดือ้อบอกให้ไม่เที่ยวมันก็ไม่ฟังแต่ถ้าคนใกล้ตายนี่บอกให้ทำอะไรทาหมดบอกให้พุดโธก็พุโทโธบอกให้ปลงก็ปลง ถ้ายังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยยังไม่ตายสอนอยังไงก็ไม่ฟังจะเอาแต่เงินอย่างเดียวจะเอาแต่เที่ยวอย่างเดียวมันก็เลยสอนยากนะนี่คือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทำหน้าที่เป็นตัวอย่างหน้าที่ของพระตอนต้นที่ก็ศึกษาตัวเองก่อนปฏิบัติตัวเองก่อนจนบรรลุจนสำเร็จแล้วทีนี้เป็นครูได้แล้วก็ไปสอนคนอื่นต่อท่านไม่ได้ทาอย่างอื่นให้กับญาติอยู่ ทนมีแต่อบรมสั่งสอนญาติโยมให้ธรรมะอย่างเดียวเพราะอ่าอย่างอื่นมันไม่เป็นประโยชน์ให้แล้วมันไม่ได้ดับความทุกข์ใจให้สายสินไปให้อาบน้ำมนต์ไปให้น้ามนต์ไปให้อะไรไปมันของของหลอกเด็กอะพวกเรามันชอบเป็นเด็กกันไม่ชอบเป็นผู้ใหญ่กันของจริงไม่ชอบชอบของปลอมกันมันก็เลยยังทุกข์กันอยู่ อ่า น, นี้มีคําถามเข้ามาแล้วยังเอาว่ามาเลยคำถามจากคุณชิดาวันการที่เราสวดมนต์ภาวนาแล้วเราแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ให้ตัวเองให้ผู้อื่นจะได้รับไหมคะไม่ได้หรอกยังไม่ได้แผ่เป็นการสวดเฉยเวลาแผ่มันต้องมีของแผ่สิไม่ใช่แผ่ด้วยคําพูดเบอกว่าผมจะให้เงินคนล้านอย่างนี้นแตั้งแล้วคนที่เขารับเขาได้เงินหรือเปล่า เราอยากจะให้เขาได้เงินล้านก็ฟักกระเป๋า เ, าเงินล้านให้เขาไปเส่ะแล้วดูซิว่าเขาจะมีความสุขมไหมเขาจะชอบเราไหมเขาจะรักเราไหมนั่นแหละแผ่มันต้องมีของให้กันไม่ใช่แผ่ด้วยลมปากใครๆก็แผ่ได้อย่างนั้นในโลกมันถึงวุ่นวายกันก็เพราะแผ่ด้วยลมปากพอถึงเวลาจะแผ่ของจริงไม่ยอมแผ่กันเวลาจะต้องฟักกระเป๋ากันนี่ฟักไม่ออกกันมันต้องมันเมตตา ก, ก็คือการ ให้ความสุขกับผู้อื่นความสุขเกิดจากการให้เข้าของเงินทองเวลาเขาทุกข์ยากเดือดร้อนเนี่ยเราฝ้ากระเป๋าให้เงินให้ทองเราดูเขาสุขไหมดูเขาซาบซึ้งใจไหมบางคนถึงกับน้ำตาไหลไหมนั่นแหละคือการแผ่ในตา ม, มันต้องแผ่มีผู้รับแล้วก็ต้องมีของให้ผู้รับด้วยอันนี้นั่งอยู่คนเดียวแผ่ไปสับแผ่ไปทั่วโลกเลย ยังก็เหมือนกับโทรศัพท์มือถือสามารถกดแล้วติดต่อกับคนได้ทั่วโลกมั้งไม่มีหรอกพูดมาไม่รู้กี่คนแล้วคนไทยเรานี่เข้าใจผิดเรื่องแผ่เมตตากันคิดว่าแผ่เมตตาก็คือเวลาสวดมนต์เสร็จก็สวดสัพเพสัตตาเอเวลาโหนตัโอเมตตาไหลออกไปจากใจแล้วพอไปเจอหน้ากันก็ด่ากันเล ย, เ, ย <laughs> เวลาเจอหน้ากันก็นต้องแผ่เลยต้องยิ้มให้กันเลย ถามสาวเราทุกสุดิบสิมีข้าวของก็มาฝากกันสินี่เรียกแผ่เมตตาตเวลาโหนตุให้อาภัยกันสิเวลาเขาทําให้เราให้เราโกรธอย่าไปอย่าไปเครียดแค้นนะข้ า, าพยาบาทครับส่อย่างนี้ถึงเรียกแผ่เมตตาไม่ใช่มานั่งอยู่คนเดียวแล้วก็สวดสัพเพสัตตาเวลาโหนตุโอ๊ยเขาก็ได้เราก็ได้ได้บทสวดไม่ใช่ได้อะไรหรอก กระจายไหมอ่อาอว่าต่อไปคําถามจากคุณนาราชักชวนคนทําบุญกับทําบุญเองมีความแตกต่างกันอย่างไรครับก็เหมือนกับชวนให้คนเข้ากินข้าวาก่าเรากินข้าวเองมือนอะไรมันแตกต่างกันไ้มล่ะถ้าแจ๊กชวนให้เขามากินข้าวถ้าเขากินข้าวเขาก็ได้รับประโยชน์แต่เราไม่ได้กินเราก็ไม่ได้รับประโยชน์แต่ถ้าเรากินเองนี้เราก็ได้เราก็ได้ประโยชน์ คุณลุงเก๋การนั่งกําหนดสมาธิแล้วเกิดเวทนาปวดแก่ก้าจนทนไม่ได้แล้วต้องขยับร่างกายเพื่อให้เลือดมันลงทายถือว่าถูกทางไหมครับผิดทางถ้าจะถ้าต้องการนั่งเพื่อให้เกิดธรรมะก็ต้องปว่ยให้ร่างกายมันตายไปให้มันเจ็บไปคือเรานั่งเพื่อบาปล่อยวางร่างกายตอนนี้เรายึดติด ก, กับร่างกายแล้วพอร่างกายเป็นอะไรมันก็ทําให้เราทุกข์กัน ถ้าเรานั่งแล้วปล่อยให้มันตายได้ปล่อยให้มันเจ็บได้โดยที่เราไม่ทุกข์ต่อไปเราก็จะไม่เราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายเยเรานั่งสมาธินั่งนั่งเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราไม่ให้เราไปยึดไปติดกับร่างกายไม่ให้เราไปยึดติดกับความเจ็บของร่างกายมันเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันตายก็ปล่อยมันตายไปถ้าปล่อยได้ใจจะไม่ทุกข์ แล้วหลังจากนั้นรับรองได้ว่าจะไม่กลัวเจ็บไ ม, ไม่ไม่กลัวตายไปจนวันตายจะอยู่อย่างสบายมียากินก็ได้ไม่มีกินก็ได้รักษาก็ได้ไม่ไม่รักษาก็ได้ก็ ร, รู้ว่ายัางไงก็ตายอยู่ดีรักษายัางไงเดี๋ยวก็ตายอยู่ดีเจ็บก็ทนได้ไม่เดือดร้อนกับความเจ็บถ้าไปขยับแสดงว่าเดือดร้อนทนไม่ไหว ออกนามขอหลวงพ่อเมตตาอธิบายให้เข้าใจเรื่องพิสุณีในพระพุทธศาสนาเจ้าคะ่ะเพราะเข้าใจว่าในการสายเถรวาดพิสุณีหมดไปจากพระพุทธศาสนากว่าหนึ่งันปีแล้วแต่ในไทยกับเห็นมีการเรียกร้องจากพิสุณีและความเท่าเทียมในเรื่องของเพศหญิงชายซึ่งสิ่งที่ถูกต้องตามหลักความคำสอนแล้วเป็นอย่างไรเจ้าคะก็พิสุณีมันตามประวัติมันก็มีอยู่จน ไม่มีภิกษุณีบวชเมื่อไม่มีภิกษุณีบวชก็เวลาใครจะมาบวชก็บวชไม่ได้แล้ว mm hmm. เพราะพระพุทธเจ้ากำหนดไว้อย่างนั้นบัญญัติไว้อย่างนั้นการจะบวชภิกษุณีได้ต้องมีภิกษุณีสงองกมีภิกษุณีสิบลูกขึ้นไปถึงจะบวชคนที่อยากจะมาเป็นภิกษุณีได้ mm hmm. แล้วถ้าไม่มีภิกษุณีเหลืออยู่แล้วเวลาจะมาบวชก็บวชไม่ได้ mm hmm. เหมือนกับพระภิกษุนี่แหละ ถ้าต่อไปไม่มีพระภิกษุเหลืออยู่ในประเทศไทยหรือในโลกนี้แล้วแล้วมีคนอยากจะบวชพระก็บวชไม่ได้แล้วเพราะไม่มีใครจะมาบวชให้เข้าใจไหมอันนี้คือเรื่องของภิกษุภิกษุีถ้ามันขาดขาดตอนไปเมื่อไหร่ก็ถือว่าจบเพราะพุทธเจ้าไม่ให้ต่อถือว่ามันไม่มีศรัทธาแล้วไม่มีคนศรัทธาแล้วจะจะมาปลุกให้มันเกิดขึ้นมาใหม่แล้วใครจะมาสอนนะเข้าไ พิสูจนี i, หายไปต้องพันปีแล้วพวกคุณอยากจะมาเป็นทุกข์สินุยคนจะรู้วิธีอยู่ของพิสูจนีเขาอยู่กันยังไงหรือเปล่า <mieux. S 2> ไม่รู้อะคุณก็จะอยู่แบบแบบที่คุณเป็นอยู่อย่างนี้นิสัยคุณเป็นยังไงคุณก็อยู่อย่างนั้นเพราะไม่มีใครจะมาสั่งมาสอนวิถีชีวิตของพิสูจนี Janet, ว่าเขาอยู่กันยังไงเขามีศีลต้องสาม้อยกว่าข้อรักษากันอย่างไรก็ precision. เหมือนกันเนี่ยพระที่มาบวชแล้วไม่ไปอยู่กับครูบาอาจารย์ก็อยู่คนเดียว มันก็เหมือนกับลิงเอาใส่ผ้าเหลืองให้ลิงแล้วปล่อยลิงมันอยู่อะแล้วลิงมันจะเปลี่ยนสภาพจากลิงมาเป็นเป็นผ้าได้ไหมเป็นไม่ไดนะ้แต่ถ้าเอาลิงมาอยู่กับคนคนคอยสอนคอยตีมันเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนนิสัยของมันได้ยังมันต้องมีภิกษุดีสงหรือภิกษุกลุ่มที่มีอยู่แล้วที่รู้จักวิถีชีวิตการกินอยู่ของของกลุ่มนั้นว่าเขากินอยู่กันอย่างไรมีคนคอยสอนเนีย พระเวไนยบังคับเนี่ยบวชใหม่แล้วต้องอยู่กับกลุ่มห้าปีด้วยกันอยู่ ก, กับครูบาอาจารย์ห้าปีเพื่อได้ศึกษานิ ส, สัยสันดานของพระเขาเป็นอย่างไรเพราะนิสัยสันดานมันยังไม่ได้เปลี่ยนไปในขณะที่เราโกนหัวห่มผ้าเหลืองกาจด้นะมันต้องมาศึกษาดูวิถีชีวิตการกินการอยู่ของพระเขาทากันยังไงพระหากินยังไงบิณฑบาตชั้นในบาตเนี้ย กินนอนกุฏิเป็นยังไงไม่ใช่เดี๋ยวมาเป็นค า, า, ารวะมาบวชเดี๋ยวก็มาสร้างตึกติดแอร์ติดอะไรกันไปหมดเนี่ยแสดงว่าไม่ได้ศึกษาวิถีชีวิตของพระเดิมว่าเขาอยู่กันยังไงมันก็จะกลายพันธ์ไปดังนั้นเรื่องของการบวชมันต้องมีผู้ที่มีอยู่แล้วบวชให้พิกษุณีตอนต้อนอาสัยพระพุทธเจ้ากับอาศัยพระ ภิกษุสงฆ์เป็นคนสั่งสอนวิถีชีวิตของการอยู่ของพระของนัก บ, บวชว่าอยู่กันอย่างไรแล้วก็ถ่ายทอดกันมาจนกระทั่งไม่มีใครหลงเหลืออยู่แล้วพิกษุนี้ไม่มีใครศรัทธาจะบวชแล้วมันก็เลยหมดไปแล้วพอยุคนี้เกิดเห็นพระเกิดอยากจะบวชเห็นอยากจะเป็นเหมือนพระก็อยากจะบวชเป็นพิกษุณีกันขึ้นมาเขาก็เลยไปหาที่อื่นบวชกัน เพราะว่าพอพุทธศาสนาหลังจากที่พระเจ้านิพานไปแล้วนี่ก็แบ่งเป็นสองสายสายเหนือกับสายใต้สายเหนือเขาเรียกมาหายานตรงนี้เขาไปทางเมืองจีนไปทางที่เบตเกาหลีญี่ปุ่นตรงนี้เขาบอกว่าศีลที่พระเจ้าให้รักษานี่มันมากเกินไปมันไม่สะดวกต่อการไปเผยแผ่ทำเขาก็เลยเปลี่ยนกันไปวิธี อยู่ของเขาแทนที่เขาจะบินทบาทเขาก็ไม่บินทบาทเขาก็กินเจกันทำกับข้าวกินกันเองในวัดเนี่ยแล้วเขาก็เขาก็ว่าของเขายังมีพิกษุณีอยู่คน อ, อยากจะไปเป็นภิกษุนีก็เลไปบวชกับพวกมหายาณไปบวชที่ที่ไหนใต้วันบ้างที่ไหนบ้างาแต่แต่านบอกที่ศรีลังกาก็มีเราก็ไม่รู้ว่าเป็นสายไหนเป็นสายใต้หรือเป็นสายเหนือก็ไม่รู้ สายใต้ก็ที่เราเรียกว่าเทรวาสเนี่ยก็มาทางศรีลังกามาพมา่ามาไทยมาลาวมาขเขมรเนี่ยเรียกว่าสายเทรวาสสายนี้ยังรักษาศีลสองอยยบเจ็ดเหมือนเดิมอยู่ยังมีการบิณฑบาตมีการรักษาทุดงขวารไรเหมือนในสมัยพุทธกาลอยู่ทุกอย่างอันนี้ก็เป็นเรื่องของเทรวาสแต่ภิกษุนีน้นี่ของเทรวาสนี้หมดไปแล้วพันกว่าปี แล้วทีนี้สมัยนี้ยุคนี้ก็มีการมีความเห็นว่าหญิงชายนี้มีสิทธิเท่าเทียมกันต้องเป็นรายได้เหมือนกันทุกอย่างอยากจะเป็นนักมวยก็เป็นได้แล้วนี้ผู้หญิงอยากเป็นทหารก็เป็นได้แล้วอยากจะเป็นอะไรก็เป็นได้อันนี้ก็เป็นความเห็นของทางโลกเขาที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามตามสมัยสมัยโบราณผู้หญิงก็ต้องเป็นผู้หญิงเพราะว่า สมัยโบราณเขาใช้กําลังสู้กันใช่ไหมผู้หญิงก็ไม่มีกําลังที่จะไปสู้ผู้ชายได้ผู้หญิงก็เลยต้องยอมเป็นช่างเท้าหลังสมัยนี้เขามีการศึกษาเขามีกฎหมายคอยคุ้มครองผู้หญิงผู้หญิงก็เลยสามารถใช้การศึกษาใช้การคุ้มครองมาเป็นช่างเท้าหน้าได้ใช่ไหมมาเป็นนายกได้เมื่อเป็นนายกได้ก็ต้องเป็นนายพลได้ต้องเป็นอะไรได้ไปหมดทุกอย่างอันนี้ก็เป็นความเห็นของ ของยุค ข, ของสมัยสมัยพุทธกาลนี้ก็พระพุทธเจ้าก็เห็นว่าผู้หญิงบวชนี่มันลาบากเพราะการบวชนี่ต้องไปอยู่คนเดียวถึงจะบรรลุธรรมได้เวลาบวชแล้วหลังจากได้อยู่กับครูบาอาจารย์5้าปีแล้วก็ต้องบางทีต้งองออกไปอยู่คนเดียวไปปีกวิเวกไปสร้างธรรมะสร้างปัญญาไปไปแก้ไปหาปัญหาไปหาความ ตายกันพอถ้าไม่เจอความตายมันก็ปล่อยร่างกายไม่ได้ถ้าผู้หญิงไปภาวนาอยู่คนเดียวเดี๋ยวก็โดนเขาจับผู้ชายมันก็โจรผู้ร้ายหรือพิชชาชีเดี๋ยวมันก็มาข่มขืนเดี๋ยวดีไม่ดีมันก็ท่าตายพระพุทธเจ้าก็เลยไม่อยากจะบวชให้ผู้หญิงแต่เมื่อแม่ของพระพุทธเจ้าอยากจะบวชแม่ของพระพุทธเจ้ามีบุญคุณก็เลยจำใจบวชให้แต่ต้องมี เงื่อนไขป้องกันภัยให้กับพวกภิกษุณีภิกษุณีนี้จะไปอยู่กันตามลำพังไม่ได้ต้องอยู่กับพระภิกษุคอยดูแลคอยเป็นพี่เลี้ยงอะไรทานองนี้มันก็เลยมันมันมันเป็นธรรมเนียมมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วมันถือว่าภิกษุณียังไงยังไงก็ต้องถือพระเป็นหัวหน้าเป็นทางชาหน้าเสมอ มีข้อเงื่อนไขยอยู่ข้อหนึ่งภิกษุนี้จะต้องเข่ารบภิกษุแม้แต่ภิกษุที่บวชเพียงวันเดียวถึงแม้ภิกษุนี้จะบวชมายี่สิบปีสามสิบปีก็ยังต้องเขาราลบต้องถือว่าอ่อนกว่าภิกษุที่บวชปันเดียวเพราะเจ้าไม่ต้องการให้ภิกษุนี้เป็นทางชาวนาช้างเท้านาต้องการให้พระเป็นผู้นําเพราะสมัยก่อนมันคนเราต้องใช้กําลังใช่หไหมไม่ได้ใช้ ไม่ได้ใช้กฎหมายไม่ได้ใช้ความคิดความรู้กันเหมือนสมัยนี้ทีนี้อะไรที่พระเจ้าทรงบัญญัติแล้วนี่เราก็มีมติพระอาลันต์ทั้งหลายก็มีมติว่าให้คงไว้เพราะเป็นความเห็นความอะไรที่ถูกต้องที่ดีงามอยู่แล้วก็เลยไม่มีใครที่จะมาเปลี่ยนแปลงธรรมเนียมต่างๆที่เรามีกันอยู่นี่พวกผู้หญิงสมัยนี้พวกที่มีการศึกษา ที่มีความอยากมีความเสมอภาคเขาก็เรียกร้องสิทธิกันเมื่อเรียกร้องจากศาสนาไม่ได้ก็จะเอาองค์กรทางโลกมาบังคับไปทางรัฐบาลให้ออกกฎหมายให้อนุญาตบวชภิกษุณีได้อะไรก็ว่าไปนี่จะทําอะไรก็ทําได้แต่ทําทแล้วมันจะดีหรือไม่ดีมันก็ไม่รู้แหละเพราะว่าสิ่งที่พระเจ้าวางไว้เนี่ยมันดีอยู่แล้ว ถ้าจะมาเปลี่ยนสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยเราแน่ใจหรือว่าเราเก่งกว่าพเราเก่งกว่าพระพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าเราเก่งกว่าก็เปลี่ยนไปเลยไม่ว่าอะไรบวชได้ใครอยากจะบวชพิกซุนี้ก็ไปบวชกันเลยสิไม่มันไม่เห็นสําคัญในตรงไหนใช่ไหมมันจะเป็นพิกษุนี้แลเป็นภิกษุมันไม่ได้สําคัญมันภิกษุที่บวชแล้วไม่บรรลุมีกันเยอะแยะไปหมด การบรรลุไม่บรรลุมันไม่ได้อยู่ที่การเป็นภิกษุแล้วเป็นภิกษุณีหรอกนถ้ามาตั้งเต้าจ้าเป็นภิกษุณีนี่ไม่แสดงว่าโดนกิเลรหรอกนะไม่ได้มาบวชเพื่อมาบรรลุแล้วมาบวชเพื่อเป็นภิกษุณีเท่านั้นเองอข้าใจ์หมอย่างที่ว่ถ้ากดถ้าเป็นบางครั้งไม่รัฐบาลเขาออกกฎหมายได้ให้กรมการาศาสนาออกกฎหมายว่าต่อไปนี้มาเทรสมาคมต้องบวชภิกษุณีอะบวชก็บวชก็เท่านั้น ต่อไปบังคับให้บวชหมาก็ได้ต่อไปก็จะยกฐานะมาให้เท่ากับมนุษย์ก็ได้ใช่ไห ม, มันก็มีเท่านั้นแหละมันบวชก็บวชได้ไม่บวชก็เท่านั้นมันมันไม่ได้อยู่ที่ศีลไม่อยู่ที่การตินภิกษุณีหรือภิกษุอย่างเดียวที่จะทําให้เป็นบรรลุหลุดพ้นจากธรรมได้คนที่จะหลุดพ้นจากกองทุกบรรลุธรรมมันก็ต้องมีฐานศีลภาวนาด้วยกันทุกคนะ ไม่ว่าจะเป็นชายก็ตามเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่สมัยก่อนเขาสมัยโบราณเขาไม่เห็นเขมีปัญหาเลยะถ้าเขาไม่ได้เป็นทุกขกษุณีเขาก็เป็นคารวาะเขาก็บรรลุได้ก็มีคนที่เป็นคารวาะบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็มีคนที่เป็นเป็นสมณเณรบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็มีเมธินจอมเบญจะต้องมาเรียกร้องว่าจะต้องเป็นพระถึงจะบรรลุได้ เห็นต่อไปสั ม, มนเนรก็บวชไม่ทำบวชสัมมนเนรนะสิขอบวชเป็นพระเลยจะได้เท่ากับพระอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางโลกอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ความรู้สึกนึกคิดของคนเราต่อไปอาจจะคิดว่าหมานี่เท่ากับคนก็ได้เมืองนอกเดี๋ยวนี้เขามีกฎหมายนะใครทำร้ายทารุณสัตว์นี่ก็ติดคุกได้นะใครไปทำร้ายหมาเนี่ยก็ติดคุกได้ไปตีหมานี่เขามาจับเราได้นะ ว่าทาลุนสัตว์เนี่ยก็แล้วแต่ความคิดของแต่ละายุคแต่ละสมัยมันก็เปลี่ยนไปแต่พวกเรายังมีศรัทธาในในปัญญาของพระพุทธเจ้าอยู่ก็คิดว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้านี้ทรงบบัดไว้เนี่ยทรงกำหนดไว้เนี่ยดีอยู่แล้วหลังจากที่พระพุทธเจ้านิพพานไปสามเดือนพระอรหันต์ก็ต้องมาประชุมกันแล้วมาปรึกษากันว่าจะเอาไงดีกับกฎระเบียบต่งาง ที่พุทธเจ้าทรงวางไว้ว่าควรจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่เพราะท่านมีเคยพูดว่าว่าท่ามีกฎบางข้อถ้าเห็นว่าไม่สมควรกับการกับเวลาก็อยากจะยกเลิกก็ยกเลิกได้แต่คนที่ฟังไม่ได้ถามว่าข้อไหนคือพระอานุ์ไม่ได้ถามว่าข้อไหนก็เลยไม่รู้ว่าข้อไหนกันที่ยกเลิกได้ข้อไหนยกเลิกไม่ได้พระอานารย์ทั้งห้าร้อยรูปก็เลยสรุปว่าไม่ต้องยกเลิกมันหรอกก็สมัยพรุทธเจ้าอยู่เรายังรักษาได้ทําไม พอท่านตายไปแล้วจะต้องยกเลิกทําไมก็เลยรักษากันมาจนถึงบัดนี้ไม่มียกเลิกสองอยี่บเจ็ดข้อมียังไงก็ยังมีอย่างนั้นอยู่ถ้ายกเลิกป่านนี้อาจจะเหลือแค่สิบก็ได้ถ้าพระพระพุทธเจ้าอยู่มันมันมันจะมากกว่าสองอยี่บเจ็ดอีกมีแต่จะเพิ่มว่ามีคนจะไปฟ้องพระพุทธเจ้าอยู่เรื่องพระทําอย่างนี้ไม่ถูกนะทําอย่างนั้นไม่ถูกเนี่ย พอไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ า, ามาพิจารณาไม่ถูกก็ต้องห้ามนหตามต้นผ้าบวชสมัยพระพุทธเจ้าประกาศธรรมใหม่ๆไม่มีศีล น, นะไม่มีศีล227เพราะผ้าที่บวช น, นี้เป็นผ้าอารหันทั้งนั้นนะ่ผ้าอารหันเขารู้ผิดถูกดีชั่วเขาทําตัวเขาเป็นที่น่าเลื่อมใสเคารพไม่ได้ทำลายบัตรศีแต่พอต่อมาพวกที่เห็นบวชแล้วสนุกก็เลยขอบวชตามกัน ตรงนี้ยังไม่ได้ปฏิบัติยังมีเกิเลอเต็มตัวอยู่มาบวชแล้วก็มาทําตัวไม่ถูกต้องพอชาวบ้านเห็นเข้าก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าะพระเจ้าก็เลยเลยมาสอบสวนสอบสวนแล้วเห็นว่าผิดไม่ควรก็เลยห้ามตอนตอน้นห้ามทีละข้อสองข้อเนี่ยตอนนี้ตอนที่พระเจ้าตายนี่ห้ามทัสองรอยิบเจ็ดข้อเนี่ยถ้าพระพุทธเจ้ายังไม่ตายอยู่จังบัดฑ น, นี่มันจะเกินสองรอยิบเจ็ดข้อเนี่ยมันจะเป็นพันแล้วมั้งเนี่ย อา้าวเราไม่รู้พูดเรื่องอะไรเอาวข้อต่อไปสอบถามจากคุณกันขอโอกาสครับโรค ก, กดหลงกิเลสตัวไหนละได้ยากที่สุดเพราะเหตุใ ด, ดมันยากทั้งหมดเลยมันมันมาเป็นพวงมัอยางนะมันมาด้วยกัน คุณนาราเวลานั่งสมาธิรู้สึกปวดตาต้องทําอย่างไรครับก็หลับตาสิเวลา น, นั่งสมาธิก็ไม่ให้ลืมตาอยู่แล้วให้นั่งหลับตาก็าอย่าไปสนใจถ้ามันมันมาปวดตอนที่เรานั่งก็สแสดงว่ามันกิเลสแต่เวลานั่งทีวีมันไม่ปวดนี่แสดงว่ามันเป็นกิเลสอถ้าน่านั่งดูทีวีก็ปวดนั่งสมาธิก็ปวดก็ต้องไปหาหมอให้หมอก็ดูว่ามันเป็นอะไรน ถ้านั่งดูทีวีนั่งดูละครไม่ปวดพอมานั่งสมาธิปวดก็แสดงว่าเป็นกิเลสก็อย่าไปสนใจปล่อยมันปวดไปเแล้วมันก็หายเองข้อที่สองนั่งสมาธินานกับนั่งสมาธิสั้นมันแตกต่างกันไหมครับก็เหมือนนอนหลับนานกับ น, นอนหลับสั้นมันแตกต่างกันไหมล่ะการนั่งสมาธิก็เป็นการพักจิตให้กําลังแก่จิตนถ้ามนั่งได้นานจิตก็ได้พักได้นานจิตก็จะมีกําลังได้มากขึ้น เหมือนกันนอนหลับนอนเดี๋ยวเดียวกับนอนนานๆเนี่ยนอนนานๆมันก็ได้พักร่างกายนานมันก็ได้กำลังมากข้อที่สามการเจเริญปัญญามีจุดหมายสูงสุดคืออะไรก็ตัดความโลภ ก, กดหลงตัดความอยากต่างๆทำลายความโลภ ก, กดหลงทำลายความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจข้อที่สี่การเจเริญสติจุดหมายสูงสุดคืออะไร ก็เพื่อให้จิตสงบให้เป็นสมาธิข้อที่ห้าตัวกิเลสที่ร้ายที่สุดคืออะไรครับร้ายทุกตัวน่ะอย่าไปถือว่าตัวไหนไม่ร้ายมันร้ายทั้งนั้นคําถามจากคุณมนตรีการนั่งสมาธิดูร่างกายตัวเองแบบนี้จะได้บุญไหมครับไม่ได้หรอกนั่งสมาธิต้องดูลมหายใจอย่างเดียวหรือพุโทโธไป ต้องมีอะไรกำกับใจอย่าไปนั่งดูร่างกายนั่งสมาธิต้องปิดตาหลับตาเพื่อจะได้ดึงใจให้เข้าข้างในนั่งสมาธิต้องการที่จะปล่อยร่างกายใช้พุโทโธดึงเข้าไปใช้ลมหายใจดึงเข้าไปพอเข้าไปสุดแล้วมันก็จะปล่อยลมหายใจปล่อยพุโทโธแล้วมันก็จะนิ่งสงบมีความสุขคําถามจากสามเณรพิธิวัต รอาจารย์ครับจะตรวจสอบว่าตัวเองเข้าขั้นโสดาบันแล้วในเรื่องสักกายสักกายสักกายยิทิฐิทดสอบอย่างไรดีครับในเรื่องของความสงสัยในในภาลตนาฏตายผมไม่มีแล้วครับในเรื่องกฎแห่งกรรมผมก็เข้าใจและไม่สนใจในเรื่องการแก้กรรมต่างๆในใจรู้ว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดก็ให้มันเกิดไปไม่เคยกลัวในผลของกรรม ก็จะคิดเป็นการกระทำของตนและต้องยอมรับผลนั้นจะได้จบจบแต่ยังติดสงสัยในเรื่องสักกายะสักกายะทิฏฐิผมคิดว่าตนยังละข้อนี้ไม่เด็ดขาดจะตรวจสอบอย่างไรดีครับก็ออลองนั่งให้มันเจ็บแล้วอย่าไปลุกอย่าไปขยับเนี่ยมีภารูปหนึ่งท่านไปนั่งในป่านั่งสมาธิในป่าแล้วให้พระเพื่อนช่วยมัดตัวเองไม่ให้ขยับแล้วบอกให้ทิ้งอยู่ในป่าสามวันแล้วใครมารับกลับ อยากจะไปพิสูจน์ดูว่าลักษณะทิฏฐิได้หรือเปล่าก็ลองไปทำอย่างนั้นดูไปนั่งขัดสมาธิแล้วก็ให้เข้าเชือกมามัดให้แน่นเลยให้ขยับตัวไม่ได้เลยจะขี่จะฉีจะจะ่จะอะไรก็ให้มันฉี่ไปถ่ายไปแต่ไม่ต้องขยับแล้วก็นั่งไปนะเพื่อปล่อยวางร่างกายไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายนะมีอยู่องค์ประวัติข อ, องท่านท่านทาอย่างนั้นแล้วรู้สึกว่า หลังจากที่ท่านตายไปกระดูกของท่านกายเป็นพระธาตุไปคำถามจากคุณนัฐิดาจะเข้าถึงโสดาบันหรือสกิทาคามีอนาคามีหรือพระอรหันต์จำเป็นต้องมีศีลมากกว่าห้าข้อหรือเปล่าคะจำเป็นต้องมีศีลสมาธิปัญญาศีลห้าไอศีลแขึ้นไปศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยี่สิบเจ็ด น, น, นะแล้วก็ ต้องมีอปปนาสมาธิสมาธิธรรมดาไม่ได้แล้วก็ต้องมีภาวนามยะปัญญาคำถามจกผู้ไม่ประสงค์ออกนามภารับบินทบาทอาศัยข้าวยาิโยมแต่ไม่ยอมปฏิบัติจะเป็นหนี้ยาิโยมแล้วยาิโยมที่ฟังทำแต่ไม่ยอมปฏิบัติจะเป็นหนี้พระไหมคะก็เรียกว่าไม่ทำหน้าที่ของตนนี้กว่า ไม่ทำหน้าที่อาจจะไม่เป็นหนี้กันซึ่งแต่ว่าจะไม่ได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่ายพระก็ไม่ได้รับประโยชน์โยมก็ไม่ได้รับประโยชน์ไม่ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการยืนไหวตายเกิดคาถามจากคุณพินพรมีเพื่อนบอกว่าให้ฟังพระอาจารย์องค์อื่นๆแต่หนูบอกว่าไม่ค่ะขอเป็นน้ําแก้วเดียวขอฟังธรรมมาของพระอาจารย์สุชาติพิชาตาโต หนูตอบไปแบบนี้ถูกไหมคะออไม่แน่หรอกแล้วแต่เรื่องเรื่องนนี้แล้วแต่เราพูดไม่ได้เราเดี๋ยวจะหาว่ายกขางตัวเราเองเกิ <c oughs> เราชอบอย่างไหนก็นเราก็ชอบแล้วก็เอาอย่างนั้นใช่ไหมเวลาเราใช้ของบางยี่ห้อเราก็ใช้มุงยี่ห้อนั้นไปเรื่อยๆขับรถยี่ห้อนี้ก็ไม่ค่อยเปลี่ยนใ่ไชอบยี่ห้อนี้ก็ใช้ยี่ห้อนี้เพราะมันใช้แล้วเรามีความมั่นใจมีความสบายใจกับยี่ห้อนี้ ได้รับประโยชน์จากการใช้ของยี่ห้อนี้แล้วก็ใช้มันไปะจนกว่ายี่ห้อนี้มันเปลี่ยนไปมันไม่ได้มันไม่ได้ทําให้เราได้ผลตามที่เราต้องการเราก็เปลี่ยนไปอย่าไปยึดติด ก, กับยี่ห้อให้ดูผลให้ดูสิ่งที่เราได้รับจากยี่ห้อก็แล้วกันว่าได้รับประโยชน์ตามที่เราต้องการหรือเปล่าคําถามจะคุณชินการนั่งภาวนาดูร่างกายแตกต่างจากการนั่งภาวนา อนานาปนาสติพุโทโธอย่างไรเจ้าคะคือการดูร่างกายนี่เราใช้การจะเป็นการเจริญสติเวลาที่เราไม่ได้นั่งสมาธิเวลาที่เราต้องทํากิจกรรมอะไรต่างๆเช่นทํางานนี่อาบน้ําอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวกินข้าวเนี่ยให้เราดูคอยเฝ้าดูร่างกายเพื่อมเพื่อใช้ร่างกายดึงใจเราไว้ไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เรียกว่าเป็นการเจริญสติกายาตาสติ ใช้ร่างกายเป็นที่ตั้งของสติถ้าไม่มีอะไรเป็นที่ตั้งใจมันก็จะลอยเลื่อนลอยคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็จะเกิดอารมณ์ว่าวุ่นขุ่นมัววิตกกังวลต่างๆขึ้นมาได้แต่ถ้าเราคอยจดจ่อเฝ้าดูการกระทําของร่างกายในทุกกิริยบทมันก็จะทาให้เราไม่ไปคิดถึงเรื่องต่างๆใจเราก็จะว่างจะเย็นจะตั้งมั่นจะอยู่ในปัจจุบัน แล้วพอเรานั่งเราก็ใช้ดูลมหายใจแล้วถ้าเราดูลมหายใจไม่ไปคิดอะไรเดี๋ยวใจก็จะสงบนี่คือการดูล่างกายต้องดูตอนที่เรากำลังเคลื่อนไหวกำลังทำอะไรต่างๆถ้าเรานั่งเฉยๆให้ดูลมหายใจเพราะตอนนั้นร่างกายไม่ได้เคลื่อนไหวแล้วคคถาาามจากุุณอณอรวัน วิธีการแผ่เมตตาต้องประกอบอะไรบ้างคะถึงจะถูกวิธีมหมายแล้วไงไม่รู้จะเวลาแผ่เมตตานี่ต้องแผ่ตอนที่เราพบปะกันฮะพบกับคนก็ได้พบกับเทวดาพบกับผีพบกับสัตว์เดรัจฉานแผ่ก็คือให้เรามีความไม่ตีจิตเจอกันอย่างน้อยก็ยิ้มให้กันก่อนคน ฝรั่งชอบมาเมืองไทยว่าคนไทยมีเมตตาเจอกันแล้วยิ้มให้กันไม่เชื่อลองไปเมืองฝรั่งดูเดียเมืองฝรั่งนี่มันเจอหน้ากันมันไม่ยิ้มให้กันเนาะมันหน้าบึ่อมันหน้าเฉยเฉยมันไม่สนใจใจดีต่อกันแต่คนไทยเรานีชช BM, า่ชอบทักชอบยิ้มแย้แจ่มใสชอบทักทายกันอายุเป็นยังไงสบายดีหรออันนี้คือวิธีการแผ่เมตตาแล้วเวลาเขาเดือดร้อนนี่โอค้คนไทยแล้วยินดีจะช่วยเหลือกัน รถยางแตกนี่บางทีจอยกันต้องหลายคันมาคอยช่วยเปลี่ยนยางให้กันของเขาเหเลยางตากก็ช่างของหัวมึงอ่ะกูก็ไปของกูออ <c oughs> ตัวประกรันเรียกประกรันเอาเองก็จะมีอย่างนั้นสังคมขอเราต่อไปมันก็จะเป็นอย่างนี้รู้สึกความเมตตาจะเริ่มน้อยลงนะพอเด็วนี้ต่างคนต่างจะรีบไปกันจะรีบ ท, ทํานู่นทํานี่ก็เลยโยนให้ประกรันบ้างโยนให้คนอื่นบ้างแต่สมัยก่อนนี่คนไทยเราจะชอบช่วยเหลือกันะ การช่วยเหลือกันก็เป็นการแผ่เมตตาการดูแลการสนับสนุนกันอแบ่งปันมีอะไรแบ่งปันกันได้แบ่งปันกันไปนี่เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาหรือการอให้อภัยกันเวลามีเรื่องมีราวกันเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยคนไทยเราชอบใช้คําว่าไม่เป็นไรเนี่ยฝอหลังใช้ไม่เป็นเนี่ยมีคนไทยเราเนี่ยใช้คําว่าไม่เป็นไรเก่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรทําอะไร เสียหายไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยนี่เรียกว่าเอเวลาโหดตุกและเนี่ยคือการแผ่เมตตาคําถามจากคุณกันคําถามจากคุณออสพระคุณเจ้าครับกําหนดใจให้นิ่งๆเบื้องต้นต้องทํำยังไงครับสวดมนต์ก็แล้วมันไม่นิ่งสักทีครับก็ต้องสวดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะนิ่งใหม่ๆมันก็ต้องยากหน่อยต้องพยายามหน่อยอย่าหยุดสวดถ้าสวดก็หยุด สวดไปสักชั่วโมงรับรองได้เดี๋ยวมันนิ่งถ้าสวดแค่นาทีสิบนาทีมันไม่นิ่งเหมือนกับรถที่วิ่งร้อยวิ่งอยู่ร้อยกว่าเหยียบแตะเบรคทีเดียวมันไม่มันไม่มันไม่จอดหรอกมันไม่หยุดหรอต้องเหยียบไปเรื่อยเหยียบจนจนกว่ารถมันจะหยุดเนี่ยสวดมันก็เหมือนกับการเหยียบเบรคของใจเหยียบมันไปเรื่อยสวดมันไปเรื่อยจนกว่ามันจะนิ่งพอมันนิ่งแล้วก็จะรู้เองคำถามจากคุณสมทรง อาชีพเลี้ยงวัวเนื้อไว้ขายถือว่าเป็นแบบใช่ไหมคะถือว่าเป็นอาชีพที่ส่งเสริมการฆ่าถ้าเราไปอยู่กับครอบครัวนี้จะบาปไหมคะอ๋อยังไม่บาปหรอกเพราะเราไม่ได้เป็นคนฆ่าคนที่เอาไปฆ่านะ่ะบาปแต่ก็ไม่ควรทาอาชีพนี้เพราะจะทําให้คนที่เขาอยากจะฆ่าวัวมีวัวให้เขาฆ่าไดน้นเราอย่าไปทําอาชีพที่เกี่ยวกับชีวิตของคนอื่นน อย่าว่าแต่วัวเลยหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรพวกนี้ก็เหมือนกันหรือค้าค้ามนุษย์ก็เหมือนกันการค้ามนุษย์ก็ไม่ดีเพราะว่าเอามนุษย์ขายมนุษย์เป็นเหมือนทาสอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องไปไปทำไปทำอะไรในสิ่งที่เขาไม่อยากจะทำกันมีแต่ความทุกข์และอาจจะถูกเขาฆ่าตายก็ได้ถ้าไม่ทำตามที่เขาสั่งฉะนั้นอย่าไปทำอาชีพเหล่านี้มันเป็นการ เป็นการส่งเสริมความทารุณกรรมต่อกันและกันควรจะทําทอาชีพที่ส่งเสริมชีวิตดีกว่าเช่นเป็นหมอเป็นพยาบาลขายอาหารขายเสื้อผ้าอะไรของพวกนี้มันเป็นของที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตอย่าไปทําอาชีพที่เป็นภัยต่อชีวิตของผู้อื่นนะเดี๋ยวมันอาจจะกลับมาที่เราก็ได้อะต่อไปคุณคุณแอนยู ตอบมาวัดแตงกี้ค่ะโอเคำถามจากคุณคุณค่ะซื้อกับข้าวอาหารถุงไปถวายพระสงฆ์ที่วัดเกือบทุกเช้าและก็ตรวจน้ำหมู่ชิดบุญถือว่าเป็นการสะสมบุญได้บ้างได้มากไหมคะได้ทำบุญทำทานก็เป็นการสะสมบุญไปเรื่อยเหมือนกับเอาเงินไปฝากในธนาคารนีครับคำถามจากคุณสายทานเวลาภาวนารู้สึกเหมือนได้พลังพิเศษคือเหมือนมีคลื่น ล่องลอยเบาๆนั่นคืออะไรคะคิดอย่างไรเจ้าคะตลอดเวลาการภาวนาและเร็วมาเพียงแค่หลับตาก็มีความรู้สึกแบบนั้นทีทีเจ้าค่ะความรู้สึกแบบนั้นยังไม่ได้เป็นผลจากการภาวนาที่เราต้องการเราต้องการความนิ่งความสงบของใจเวลานั่งภาวนานี่มันมีผลข้างเคียงอยู่หลายหลายรูปแบบด้วยกันแต่ละคนไม่เหมือนกันก็อย่าไปสนใจมันไม่ได้เป็นผลที่ ที่ที่เราต้องการที่เป็นประโยชน์กับเราจริงๆผลที่เป็นประโยชน์กับเราต้องใจนิ่งสงบเป็นอุเบกขาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงอันนั้นแหละคือผลที่เราต้องการผลอย่างอื่นมันมาแล้วก็ไปมันไม่มีผลกระทบไม่มีประโยชน์อะไรกับจิตใจของเราคาถามจากคุณนันทนาพระแช่งโยมให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทราผิดวินัยไหมครับ คนถูกแช่งจะเป็นอย่างที่พระแช่งไหมคะไม่เป็นหรอกคำพูดของคนถ้าถ้าเป็นก็ดีเองคนก็เป็นกันไปหมดแนละ้ว <c oughs> เรื่องการแช่งนี้มันก็เป็นพุลุศวาตอย่างหนึง่งเป็นเป็นคําพูดที่ไม่ควรพูดเรื่องอากุศลกรรมทางวาจาเอย่าไม่ควรพูดคำหยาบคําแช่งก็คือคําหยาบนี่เองคําถามจากคุณทพานี ถ้าฝึกสมาธิสวดมนต์ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภจะส่งผลถึงลูกในครรภด้วยไหมคะอาจจะส่งทางด้านทางด้านร่างกายคือถ้าร่างกายของแม่เป็นปกติการพัฒนาร่างกายของลูกก็จะเป็นปกติถ้าร่างกายของแม่ไม่เป็นปกติเช่นดืมสวรายามเมาไปทากินไปทาอะไรแล้วทาให้ร่างกายของแม่ไม่เป็นปกติก็มีผลกระทบต่อการพัฒนาร่างกายของลูกได้ แต่ไม่เกี่ยวกับทางจิตใจของลูกเช่นบางคนบอกว่าเอาฟังเพลงเอาเพลงไปฟังไว้ที่ท้องเอ า, าลำโพงไปปรักไว้ที่ท้องแล้วลูกจะได้สมาธิแร้วได้นี่มันไม่ไม่ได้หรอกไม่เกี่ยวกันครับถามจากคุณออสไอ้คาถามจากคุณจารุณีทําบุญโดยเอาเงินใส่บาตรได้ไหมคะคือ ไม่ควรนะเพราะว่ามันไม่ถูกพระวินัยของพระพระนีรับเงินกับมือไม่ได้ถ้าอยากจะให้เงินพระนี่ต้องฝากให้กับลูกศิษย์ลูกศิษย์แล้วลูกศิษย์เขาจะเป็นคนไปซื้อของให้พระเวลาพระต้องการซื้อของจําเป็นคําถามจากคุณละพลค่ะหากผมคิดจะบวชเมื่อบวชแล้วหลังเที่ยงเป็นต้นไปฉันเวโปรตีนอาบัตไหมครับ หากฉันเพื่อแก้อาการด้างด่านกายขาดโปรตีนแล้วช็อกโกแลตชนิดไหนที่ฉันไม่ได้ครับก็แล้วแต่ต้องไปถามเจ้าว่าที่เราบวชก็แล้วกันเพราะแต่ละวัดนี้เขามีการแปลความตีความไม่เหมือนกันบางวัดเขาว่าอันนี้กินได้บางวัดเขว่ากินไม่ได้เห็นลองไปไปดูที่วัดอื่นดีกว่าถ้ามาที่นี่ก็ไม่ให้กินอะไรเลยหลังจากฉันเมื่อเดียว่าดื่มน้าเปล่าทั้งนี้ว แล้วก็พอดีกับเวลามีใครอยากจะถามอะไรไหมถ้าไม่มีก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ